โมจจาพรวะโตอรหโตสมมาสมพุทธะนะโมจจวะโตอรหโตสมมาสมพุทธะนะโมตจาวะโตอรหโตสมมาสมพุทธะสุขโปุญจสอุจจโยติตเจริญพรทุกท่าน เอามือลงแล้วก็นั่งสมาธิฝังระหว่างนั่งก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจสำรวมจิตไว้อยู่กระลบหายใจออการที่จะบำบงใจให้ดีที่สุดที่ทุกคนต้องการความเจริญทางจิตใจหาทางสงบทางพ้นทุกข์ ขดสโรบายพระสาัาสดาพระองค์กระสงใ้อาณาปานสติเป็นที่ตั้งของจิตคือลมหายใจเข้าออกถ้าคนเคยฝึกอานาปานสติจะมีความสุขเยือกเย็ยนคนที่เคยบริกรรมพุทโธพุทโธใจก็สงบดิ่งลงไปสภาวะจะเย็นสงบแลวกระสว่างภายในคืออาการของอารมณ์นะ คนที่ติดก็ดโทรไปหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะมีความจ้าข้างในถ้ากุโธพุโฑกุโธไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาจิตมันรวมมันจะเข้ามาที่ตรงใจเราเนี่ยสว่างเหมือนกัหลอดไฟสปอร์ตไล่สองด้านในแต่ถ้าเราบริกรรมสงบแล้วมันจะเหลืออยู่ลมให้ใจเรียกอัาอานาปานะสติคนที่ อาศัยลมหายใจเวลาจิตสงบมันจะเย็นเทียบเข้ามาข้างในนะั่คืออาการสงบของอานาปานสติมีสองอย่างคือพุโทโธมันจะสว่างเหมือนหลอดไฟข้างในแต่อานาปานสติเป็นจะเย็นเหมือนกับเรานั่งสูดลมหายใจอยู่หน้าก้น้ำแข็งเย็นๆ เ, เข้าไปเย็นเยอะๆเข้าในอาการก็อานาปานสติเย็นเทียบเวลาจิต รวมไปเป็นหนึ่งมันตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันหรือว่าจิตมันอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยนะมันจะเย็นเหมือนน้ำแข็งเกาะ น, นี่คืออาการของอาณาปานสติพื้นฐานเบื้องต้นที่จิต hmm. มันเริ่มตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันส่วนพุโทโธเวลาร่มหายใจเข้าจิตเร่าสงบลมหายใจมันจะคล้ายๆแสงสีทองสว่างเรืองรองไหลเข้ามาในจิตเวลาหาใจออกก็จะเป็นสีทองพุ่งออกไป ตามกระแสลมเวลาเข้าไปจะเป็นกระแสลมเข้าเสียสวยสว่างสวยเหมือนผ้าทิตชชู่เช้าสัตว์สองมันนะั่นคื อ, อาพุทโธเวลาจิตมันจะรวมนะให้โยมฝึกกันเอาเองเนาะแนะนําใ ห, ให้ให้สังเกตถ้าเรามีสติอยู่ตรงตรงเนี้ยเราไม่ใจก็ดีพุทโธก็ดีอะมันเป็นยอดของการเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องสภาวะจิต จิตจะตั้งมั่นอยู่ได้ง่ายเบรกกา ร, รมไม่เรื่อยจิตจะไม่กระสับกระสายคอยสังเกตไปด้วยถ้าคนละเลิกพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยก่อนพุโทโธที่สุดมันจะรวมเป็นหนึ่งตั้งมั่นปัจจุบันมันจะหายไปพอหายไปพุสีทองก็จะมันค่อยจางไปด้วยพอจางปุ๊บสีทองหายไปพุโทโธไปพักผ่อนแล้วนอนสงบเพออิ่มแล้ว ที่อนาปนานสติจะเกิดขึ้นไม่ต้องระลึกพุโทโธเพราพุโทโธบรอิ่มมันจะไม่มีความรละลึกอีกต่อไปจะเหลือแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจเป็นที่สุดแห่งความสงบจิตมันจะยิ่งขึ้นสงบมากขึ้นมากขึ้นตั้งมัน่นอยู่ปัจจุบันมากขึ้นจิตจะเริ่มอิ่มยิมความสุขอิ่มความสงบมันจะเริ่มรู้มีสติกำหนดรู้ไป รู้ไปเรื่อยจะเกิดความรู้ขึ้นมาอีกก็คือรู้รู้จักว่าสภาวะจิตรู้สึกสงบว่างเย็นเอเกะคตาสว่างสวยไปหมดเสร็จแล้วก็อิ่มสุขอิ่มปีติทั้งหลายนั่นแหละเกิดอุเบกขาแล้วไปวางเนี่ปวางพอวางปุ๊บตรง น, นี้ยจิตจะเริ่มรู้สึกว่ารู้อะไรเกิดขึ้นขณะนึงรู้ลมเข้าเอ๊ะเมื่อกี้มันยาว ก็มาสั้นสั้นแล้วก็ว่างแล้วก็วางนี่คอยจับรู้ไปเรื่อยๆจะรู้ขึ้นมาเอาว่างวางไปว่ามันเกิดดับมันรู้อยู่เ่อกีมันดับไปเข้าลงไปใจเข้าปุ๊บแล้วก็เบาลงเบาลงแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่อารมณ์มันจะเป็นลักษณะ น, นี้สําหรับคนที่จเจริญใหม่ๆนะเพื่อ เจริสติรู้แล้วปัญญาตามมาก็คือรู้ว่าเกิดดับความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความสภาวะในจิตก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนเราเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังได้นั่นแหละแต่สำหรับคนฝึกใหมาก็เรียนรู้อารม์ให้ใจไปเรื่อยบริกรรมกับบริกรรมไปเรื่อยๆที่นี้เกิดนั่งนานๆเนี่ยสภาวะมันจะไปรู้ความเกิดดับไม่เที่ยงที่ตัวเวทนาขันจะเกิดตามนะ เวทนากันก็คือความปวดเมื่อนั่นแหละมันจะเริ่มเกิดถ้าเราศึกษาเรียนรู้กับสภาวะที่ไม่ไมใช่ตัวตนนี่ถ้ามีสติสมาธิดีอยู่เราจะรู้ว่าขันห้าเนี่ยตรงนี้รูปเวทนามันเกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวสัญญาว่าขาเราทีนี้มีความปวดเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นอารมณ์จะเป็นทุกข์ถ้าเราไม่สติกําหนดรู้ทุกข์ไปเลยอย่าไปบอกว่าขาเรา กำหนดว่าทุกเกิดขึ้นแล้วเพียงรู้เพียงรู้ไปเรื่อยๆให้เป็นผู้ดูผู้รู้ไปเรื่อยๆแล้วจะไม่ทุกข์เพราะว่ามันจะเกิดความรู้ไปคู่กับความรู้สึกว่าเนี่ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราเขาแขนขาเราไม่มีถ้าถ้าเราปวดเราอดไม่ไหวส่งจิตว่ากาเราปวดปุ๊บมันจะบอกโอ้ ข, า, ขาปวดๆนี่ตัวสังนขามันไหวนะ ถ้าสติเราเปิดได้เดียวปวดจัดเลยนะแทบจะระเบิดให้ต้องคอยระวังจิตเอาพยายามประคับประคองไว้สาหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆ ม, มักจะเจอปัญหาเรื่องปวดเขา่าปวดแขนปวดขาปวดเอวปวดตามร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะขาสดสติเผลอสติไปยึดเอาว่าตัวเราของเราสิ่งที่ประสาทกระดาษเมว่าค้นเจอตรงนี้พวกว่าเอาตัวสังขารผรุงแต่งไม่ใช่เราในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนี่แหนะ่ะ าจก็คือเราเห็นว่ารูปว่เป็นเราเนี่แหละลมหายใจก็เป็นเรานี่แหละจริงแล้วมันไม่มีเราถ้าเราฝึกใหม่ๆเราจะไม่เข้าใจภาษาธรรมะไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เราตรงไหนก็ตัวเราก็เกิดมาอยู่อย่างเงี้ยจริงในบรรทัดของสมมุติสมมุติอยู่ในรูปมีอะไรบ้างอะ่ะธาสีดินน้ำลมใยสีอย่างเนี้ยเป็นรูปในตัวเราที่เราหลงว่าเป็นเรานี่แหละเข้าใจว่าเราจริงแล้วมันไม่ใช่ เป็นของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเด็บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่เราจริงๆนะเวลามันปวดเจ็บขึ้นมาพราะเราบังคับไม่ได้ถ้าบอกจะปวดนะอย่าปวดนะบังคับไม่ได้แต่เรามีสตินะระวังนะต้องมีสติกําหนดรู้ด้วยอ๋อเป็นจริงๆ บ, งบังคับอย่าปวดไม่ได้เป็นตัวสั้างการพงแต่งเพราะว่าอารมณ์เป็นรู้สึกว่าขาเรา ไ่เขาเ้าใจว่าเป็นเรามันยิ่งทำให้เราเวทนามากปวดมากวิธีสู้นะสู้แบบมีสตินะแต่ถ้าเราไม่มีสติโอ้ยมันมันไม่ใช่เนียก็ขาเร า, าตัวนี้เราปวดอย่างเงี้ยนั่นแหะเป็นอุปทานอุปทานขันว่าเป็นเรานะคือหลงยึดหลงติดยึดผิดว่าเป็นเรามันก็เลยปวดลองฝึกแต่ต้องอดกั้นในจริงนะตรงเนี้ยถ้าเราสู้ไปๆก็ผ่อนคลายนะ แต่คิดจะสู้นะเอาชนะมันก็ต้องสติทั้งนั้นนะประคองจิตไว้มาดูอารมณ์กําหนดดูความรู้สึกที่อารมณ์จิตที่จิตเรานี่แหละไม่ต้องไปยึดที่หัวเข่าที่ขาที่แขนที่ตัวที่เป็นมันจะแยกให้เห็นเลยโอ้ไม่ใช่เราจริงเป็นความรู้สึกนึกคิดเพราะจิตเข้าไปยึดไปหลงไปติดไปทําให้ปวดมากทรมานมากที่เราไม่สามารถจะนั่งได้เพราะอายุวัยอย่างพวกเรามันเข้าเรียกสี่เรียกหาเรียกหกไปแล้ว มันจะเริ่มรู้สึกว่าแขนขาเราไม่พร้อมมือเท้าไม่พร้อมทุกส่วนร่างกายไม่พร้อมที่จะสู้กับเวทนาในท่านั่งถ้าเราสู้ได้ก็สู้สู้วิรากถอยมาดูก่อนดูอารมณ์อารมณ์จิตที่มันเกิดขึ้นพอเราไม่ยึดตรงขาปุ๊บอารมณ์จิตมันก็จะทําให้เรามาประคับประค อ, องจิตแหวนเข้าใจเรืวว่เวทนาเมื่อกี้เกิดขึ้นเพราะเราไปยึด พอตั้งสติอารมณ์ประคองจิตไว้เดี๋รู้ๆปุ๊บมันจะค่อยผ่อนคลายถอนอุปทานถอนมาเป็นเราออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยนี่แหละพอจิตตั้งมั่นคุมอารมณ์ได้แล้วสติตามตัรู้คุมจิตอยู่มันจะสลัดออกต้มเดียวเลยนะในระหว่างนี้ถ้าเราอดกั้นได้นะความเป็นไปของสภาวะไม่มีเรานี่ย น, นะเกิดฌานเกิดญาณที่เราสลัดออกเนะี่ยที่โยมทั้งหลายต้องการความสุขตรงนี้มันจะได้ เพราะเราจะไม่อะไรวังกับแขนขาที่มันเคยเป็นนั่นเป็นนี้อย่างนั้นอย่างนี้อัตตาตัวตนก็หลุดออกจากหัวใจเราจะเข้าใจว่าเราเราจะนัศศึกศึกนึ่งละในชีวิตครั้งแรกจะจะกี่ครั้งก็ตามแต่เราต้องจะนัศึกแรกให้ได้ก่อนคอยละรูปละนามตัวตนไม่ใช่เราตั้งสติบริกรรมไว้ในจิตตั้งมัน่ไนไว้ในจิตในถ้าคิดจะสู้กับอ่าสัญญามานันคาถามัน ลูกที่เป็นลูกสมมุติเนี่ยเราจะเข้าใจในสิ่งนี้พื้นฐานการภาวนามิฉะนั้นเราจะอ่อนไหวแพ้มันตลอดเวลาเมื่อเราชนะอารมณ์เดียวขอให้ชนะจั่วึกหนึ่งจะปวดแขนปวดขาปนดไหลที่ทำให้เรามีพัฒนาเพราะสังขารไม่เที่ยงเนะ่เอาชนะสักอย่างไดอย่างหนึ่งยมเป็นผู้ชนะตลอดชีวิตชนะถึงชาติหน้านะเพราะชาติหน้ามันต้องมาภาวนาตรงนี้ เดินด้านบรรดาแม้ปัจจุบันฉนะเดินด้านบัญญ า, จจ า, าทันทีพอเห็นแล้วอ่ะของเสื่อมมันคือในรูปสมมตินี่แหละพอเขา้าใจแล้วพวกมันจะไม่ได้ใช้งานหนักไม่ทํางานหนักอีกต่อไปแต่เหมือนเราทํางานขยับจากลูกน้องไปเป็นผู้จัด ก, การเป็นผู้ช่วยบริการเป็นผู้อะชั้นสูงสุดงานเบานั่งชีนิว้วสั่งนิว้วเฉยเฉยคือการระดับของการภาวนาก็เหมือนกั น, นาชาหนึ่งสองสามสี่จะไเดินด้านบัญญา ถ้าเราได้ปัญญาครั้งเดียวเราจะเดินต่อได้ตลอดไม่ว่าจะมาทางไหนใช้สติคุมจิตรักษาจิตไม่ให้จิตส่งออกจากปัจจุบันคือกายส่วนใดส่วนหนึ่งประคองไว้จุกรลมให้ใจไปตลอดถ้าสติสมบูรณ์แล้วไม่มีเผลอเมื่อจิตถูกควบคุมด้วยสติแล้วลึกรู้แล้วลึกได้แล้วลึกทันสัมผัสญญจะไม่มีเผลออีกต่อไป ขอยทุกคนตั้งใจเหมือนยากแต่ถ้าเราทําสมัครเสมอไม่ยากที่มันยากเพราะเราไม่เคยรักษาใจเอาไว้กับลมหายใจเราไม่เคยรักษาใจไว้กับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมันเหมือนยากเพราะว่าลูกเวทนาสัญญาสันขันนะมากับทบทางอริยะนาถตา่างวิจิหมูกลิ้นกายใจมันทําให้เกิดเรื่องตลอดเวลามีเรื่องคิด เรื่องคิดเมื่อตายรู้เรื่องคิดหูได้ยินเสียงเรื่องคิดจมูกได้กลิ่นเรื่องคิดลิ้นสัมผัสกายสัมผัสมันเป็เรื่องให้คิดให้คิดดีก็ให้รู้ที่ในฝึกไว้ไม่ดีก็ให้รู้ฝึกไว้เพียงเท่านี้รู้ว่าดีก็รู้ไม่ดีก็รู้จิตส่งออกรู้ไม่ส่งประครองประครองจิตไปไปเหมือนเราทํางานนี่แหละการดําเนินจิต ด, ด้านเจริญสติให้มันทันรู้สภาวะอารมณ์ เมื่อเราทำงานไม่ต้องคลั่เคร่งเมื่อเรานั่งหลับตาเนี่ยเวลานี้หลับตาฟังเอาเสียงเป็อนอารมณ์แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าอยากจะเป็นสมาธิเวลาเนี้อยากจะสงบเนี่ยแล้วกดขมตาพวกก็จะปวดจะมีเวทนาสังขารขันเกิดขึ้นตัวเวทนาก็คือตัวขันตัวหนึ่งมันไม่มีรูปร่างมันจะมีอารมณ์รู้สึกหรคิดเพราะจิตเข้าไปยึดแล้วเจตนาตั้งใจให้สงบอันนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะโยม จงหลับตาธรรมชาติเลยธรรมดาแล้วก็วางความอยากสงบออกไปก่อนให้มีเพียงรู้ความรู้ที่กำลังกระเพื่อมขึ้นในจิตในสภาวะอารมณ์ประคองจิตไว้เท่านั้นประคองจิตไว้ให้มันสงบอยู่กับความว่างว่างอะไรว่างจากความคิดเป็นนั่นเป็นนี่ว่างความอยากนั่นอยากนี่ทุกสรรพสิ่งที่จิตกำลังคิดปล่อยให้มันคิด ดูครัมันคิดไปเรื่อยไม่มีหน้าที่คิดคิดไปเราดูไปจะคิดอะไรก็ให้รู้แต่ว่าไม่ไปเพิ่มความหยุดไม่อยากให้จิตจะหยุดคิดจิตมีหน้าคิดเรามีสติหน้าที่ตามดูตามดูแล้วเราจะเอาความคิดออกได้เมื่อมีสติรู้ทันความคิดแต่เราไม่ไปโกรธไม่ไปโกรธที่มันคิดไม่อยากให้มันหยุดเวลานี้แต่ดูดูดูรู้รู้ไปเรื่อย เพียงประคองไว้เดี๋ยวพอสติตามทันความคิดนั่นก็จะดับลงเองถ้าเรายังมีสติมันอ่อนตามไม่ทันความอคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆแต่พอสติสมบูรณ์มีพลังมากกว่าความคิดความคิดนั่นก็จะหยุดทันทีอ่าเนี้วิธีแก้ไขนะการภาวนาอยู่คนเดียวบางทีหงูดหงิดนะไม่ได้ดังใจอย่างเนี้ยวันนี้อยาก จะเป็นสมาธิวันนี้กลุ่มวันนี้อยากจะเป็นอยากสงบจะลดพ้นอารมณ์ความคิดเหล่านี้มันปรุงแต่งแล้วอุปทานปรุงไปมันจะเกิดตัวสังขารวิญญาณทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีความสุขเลยนั่งไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ความคิดคิดคิดคิดคิดจนเหนื่อยคิดจนลาคิดจนใจจะขาดนั้นแต่ถ้าเราไม่ส่งจิตไปยึดว่าเราคิดมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไร แจก็ส่งจิตไปยึดว่าเราคิดนั่นแหละตัวต้นหาประธานก็จะทําให้เรามีทุกข์มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเพราะศาสตาสอนนั่รู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นสัมผัสรู้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นเราก็เรียนตามพระศาสดาเดินตามคําสอนพระศาสดาสักแต่ว่ามันคิดอยู่รู้อยู่เลย แต่คิดกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไปมันคิดคิดเรามีหน้าที่จเจริญสติตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆพอดูไปดูมานะีโยมที่สุดสติมันมีประโยชนมีแรงนะมันวิริยะนะมีความเพียรนะแรงกล้ามันไม่หยุดไม่หยุดตามไม่หยุดรู้กลายเป็นสมัมผัสรู้ถ่นจุดจึกเลยนะโยมหยุดทันทีเลยตัวสมัมผัสคือสติมันเต็มเปลี่ยมพลังอินทรีย์มันเต็มเปลี่ยมเกิดปัญญา ค, ความรู้เนะย สิ่งที่ไปรู้ก็คือว่าสิ่งที่มันคิดมันไม่มีตัวตนสาล้ว่ามันอยากคิดคิดเพราะมีเรื่องปรุงแต่งในจิตอุปทานมันมันก็ปรุงไปเรื่อยๆเจตนาก็คืออยากให้มมนหมดทุกข์มันก็มีเวทนาเกิดขึ้นให้เข้าใจเวลาเนี่ยเจตนาอยากให้มันหมดให้หยุดคิดเราจะมีทุกข์ทันทีแต่ถ้าเราปล่อยไปคิดไปเฉยๆดูเฉยๆมันลูกเเดินเดๆต้อแตก้อแตกอ่ะ้าไปห้ามเด็มันร้องอ่ะ นองแงเใช่ไหมมันอยากไปไม่ถึงข้างฝา่ามันอยากจะยืดได้เนี่ยพอไปห้ามมันจะร้องจิตเหมือนกันถ้าไปห้ามมันหยุดคิดมันจะมีเวทนาขึ้นที่จิตเนี่ยเราก็ฝึกเป็นผู้ดูตามรู้ไปเรื่อยพอสาวปัญญาตามทันมันจะหยุดคิดหยุดคิดหยุดคิ ด, ด, คดก็จถวไปนึกจะหยุดนิ่งเลยสติควบคุมจิตได้แล้วไม่ส่งออกไปแล้วอยู่กับปัจจุบันนะแต่อยู่กับลมหายใจอยู่กับ ความระลึกได้ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาคือยานตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วมันเย็นไม่ร้อนมันความคิดถ้าปัญญามันรู้อะไรปุ๊บมันจะเกิดขึ้นเห็นรู้แล้วก็ดับลงเนี่ยตัวมันจะพอรู้แล้วเห็นแล้วดับลงมันควบคุมทันแล้วมันก็ไม่มีทุกข์รู้ความคิดไหมไม่ใช่ความคิดแต่มันเกิดจากความระลึกชอบประกอบความเพียรทางจิต ที่รู้ในรู้ไปได้ยานข้างในนะโยมมันเย็นไม่เหมือนความคิดถ้าเกิดความคิดเข้ามามันร้อนอึดอัดใจให้สังเกตเอาสภาวะในจิตพวกเราคอยฝึกไปเรื่อยๆแล้วจะทําการทํางานก็ฝึกไปเรื่อยอยู่บ้านก็ฝึกไปได้ดูหนังทีวีท่องเที่ยวตามห้างก็ดูอารมณ์ไปได้สามารถจะรู้ได้หมดทุกสถานที่ยืนเดินนั่งนอนเดินทั้งเมืคิดมีสติตามดูรู้เท่านั้นเราจะชนะ จะประกาศ ช, ชนะทุกสถานที่เลยเพราะส่วนส่วนใหญ่คนที่ฝึกไปแล้วจะเบื่อหน่อึดอัดใจไม่ได้หลังใจเนี่ยตัวตันหาประทานมันทำให้เรารู้สึกชีวิตไร้ค่าภาวนาก็ไม่ได้จริงๆแล้วมันได้แล้วแต่ว่าเราเผลอสติมันอ่อนไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์หรือว่าไม่สามารถจะปล่อยวางได้ไปปล่อยใจไปอยู่กับความคิดไปยึดกับความคิดมาเป็นเรา ก็เลยเราเข้าใจว่าเราคิดจริงๆแล้วมันเราไม่ได้คิดตัวตัญหาปัญหามันคิดมันปลูกมันแต่งไปตามภาษาของจิตนั่นแหละเพราะมันเกิดมาจากสัญญาเกิดตาหัวจมูกรื่นกายและใจมันสัมผัสเอามาเป็นอารมณ์สิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเอามาเป็นอารมณ์ก็ไปยึดติดว่าโอ้เราได้ยินเราได้เห็นเราได้รู้มันก็เลยเป็นเป็นเรารู้เราเห็นก็เลยมีตัวเราอยู่ในในอารมณ์เหล่านั้น ถ้าเราเห็นแล้วปล่อยวางปุ๊บมันจะไม่มีเรื่องให้ปวดหัวจิตก็ไม่ทุกข์ไม่เวทนาแล้วก็จะมีแต่ความสุขเนีย่ยเวลาซบลกกิเลตต้องลบภายในเนาะเห็นภายนอกเหยา่อเข้ามามีสติย้อนมาภายในจิตมันจะดับลงทันทีถ้าสติตามทันจิตมันจะกลับมาตั้งปัจจุบันเนาะพอมาตั้งปุ๊บอารมณ์ภายนอกก็หายไปเนีย่ยเราอายุมากม่ต้องไปเดินด้าน ข้างนอกกับเดข้างในคือพวกจเจริญสติให้เกิดปัญญาและจากความเป็นเพียงที่ไหนก็ได้สติสมาธิปัญญามาอยู่ทุกที่ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ตรงโน้นตรงนี้มันอยู่ปัจจุบันขณะที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่เนีย่ยทำความรู้สึกตัวตลอดคือไม่สตีตามรู้ขณะกายเคลื่อนไหวสิงเหลวเนี้ถ้าเราทำเป็นอาจินนะจมมันจะง่ายนิดเดียวนะ ในสมัยก่อนต่อมาก็นุ่นอ่ะคิดว่าความสุขน่าจะอยู่ดาวองคาลนองคิดไปเรื่อยเปลยนะอยู่ดวงอาทิตย์น้นองหรือว่าดาวพุทธประหาสสุขเสาน่าจะอยู่ตรงโน้นในความสุขพยายามกําหนดจิตส่งไปหาดาวดวงโน้นดวงนี้เป็นปีสองปีนะโยมมันคิดหาความหลุดพ้นหาความสุขอะสวรรค์นรกอยู่ไหนไปอยากรูก้อยากเห็นเด็กปรุงไปเรื่อยไม่ใช่นั่งสมาธินั่งแล้วลึกขาที่หลุดพ้น ความโงนะ่ความฉลาดจะไม่มาความโง่ความเข้าผิดว่าสวรรค์จะต้องอยู่ดาวอังคารนินพพานจะอยู่แถวพระอาทิตย์เพราะเป็นสว่างคิดเอานะความคิดมันระลึกขึ้นมามันกับุงไปเรื่อยส่งไปเรื่อยจนเหมือนกับไปนั่งยานอาวกาศเที่ยวรอบโลกก็ไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานก็เห็นแต่ดวงดาวลอยกลางท้องฟ้าอยู่มองไปเห็นกระทั่งเท ว, วดา อยากรู้อยากเห็นย่งไม่เนรลกเกู่ไหนก็ไม่รู้มีแต่เขาว่ามาเนี่ยสัญญาการฟังแล้วก็มีการอยากรู้พอมีสัญญาการฟังการอยากรู้ก็ท่องเที่ยวไปในลมภายนอกเรียกว่าจิตส่งออกออกไปรู้อยากไปรู้อยากไปเห็นสุดท้ายสองปีถึงแล้วมีสติสติว่าอ้ากูบ้าแล้วกูเพียนแล้วมั่งเนี่ยไปอยากรู้อะไรสิ่งนั้นนั้นพระเจ้าสอนให้พิจารณาจิต ต้องพิานารณาจิตเท่านั้นมันดังขึ้นมานะพอไปแนละ้วมันไม่มีอะไรให้รู้ให้โดยมันย้อนกลับมาที่เดิมตั้งสติพิจารณาจิตก็เลยระงับเข้ามาดูสภาวะจิตตัวเองเมื่อพิจารณาอารมณ์เสรปุ๊บมาเกิ่มแจ่มใสโอตรงนี้เองที่หลวงปู่ศีท่านว่าไปอยู่ในป่าไปดูจิตถ้าไม่รู้จิตตัวเองไม่รู้จิตคนอื่นก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สักเรื่อง ไปดูตัวเองถ้ารู้จักตพวเงปบก็รู้จักคนทั้งโลกไม่ว่ามนุษย์รืสัตว์เทวดาจะเห็นถ้าไม่เห็นอย่าออกมาทันวันนะอย่าไปคุยกับโยมไปศึกษาให้มันรู้ก่อนก็เลยไปไปค้นหาความไม่เข้าใจเดินอยู่กมือไปก็ร้องไห้ไปมันทุกข์ลือเกินทุกข์ลือเกินเมื่อไหร่จาหมดทุกข์เมื่อไหร่จ้าหมดทุกข์ทำไมยิ่งอยากหมดทุกข์ก็ยิ่งทุกข์ ผูกคอตายสะดีมั้งหรือแบบนี้ไม่ไหวแล้วมั้งทุกใจจะขาดบีบขั้นเพวาความอยากตัวตันหาอุปทานมันมันปรุงมันแต่งมันอยากพ้นทุกข์มันอยากเป็นพระหันจากไปนิพพานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องพ้นเดี๋ยวนี้วันนี้กูตั้งใจทําแล้วน่ยคือทั้งเดินโยกรมนโยมมันก็บล้ำพึ่งล้าพันในจิตหลังจากจิตไปเที่ยวสองปี เ, เดินเพราะได้สติเอาหัวร้อนหมเหลืองหรือเนี่ย ทำไมคิดแบบนั้นจะฆ่าตัวตายไม่รู้จักบาปกับกรรมหรือไงอ่าเนี่ยจิตพอสติมันคุมติดตามโดยจิตทันและลึกได้เอาโอ้เป็นบาปเนาะฆ่าตัวตายเป็นกรรมทาไมเราไม่ทำลายอาสวะในจิตเราทําไมคิดจะทําลายลูกเขาละ่ะให้ลูกนี้ก็ไม่ใช่เรานะถ้าทําลูกนี้แต่สลายเวลาเนี้ยไปเมื่อถึงเวลาแตกไปทาเขาแล้วก็บาปไม่ใช่หรือเอาเห็นภาพขึ้นมาเลยโยมลิ้นจุกปากใครตายเขาตาย เอาเราไปไหนจิตไม่อยู่ร่างนี่ก็ไปขึ้นไปอยู่ร่างใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าอย่างนั้นไม่เอาแล้วเดินนกบเดินไปเดินมาปล่อยวางทีนี้โอ้พอปล่อยวางที่ไม่คิดมาดูมาดูลมหายใจกหนดขวาพุทซ้ายโถบเดินไปเดินมาเอาจิตกลับสงบเย็นสบายเจ้าสว่างสวัยเกิดขึ้นไปในร่างกายกหนด ดูในร่างกายก็สว่างพองรอบกายภายนอกภายในสว่างไปหมดเอ้าไอ้ทุกข์มันหายไปไหนหายตรงที่เราตัวที่เราไม่อยากไม่อยากเป็นพระรหัสนั่นละวางเหมือนพระอานุนั่นแหละไม่เป็นก็ได้ว่างวางเพิมก็พองสว่างเหมือนลอยได้ด่างกายเราเบดตุ้มตั้มตุ้มตั้มออกมาเห็นตัวสังขารปรแดังที่เรายึดว่าเรานน้นนี่แขนขาก็เด้งกระดอนหมดสุดท้ายมันว่างไปหมดพอไม่เอาแล้วมันว่างไปเลย ร่างกายแต่กระเด็นตุ่มต่ำตุ่มต่ำเป็นชิ้นเป็นส่วนกว่าจะตัวเราไม่มีอะไรเจอเหลือที่โครงกระดูกห้อยจะลองต้องแดงเร็วเดินมาไหนเราไหนเนี่ยนี่มันกระแทกดินนูกระแทกดินที่แยกออกไปท่าน้ำลงไปมันแยกมีไว้เนี่ยอันไหนหลังก็พอเห็นพบออมันไม่มีเราเน้นเนี่ยพอไม่มีเราจิตเริ่มเรื่มบริสุทธ์นะโยมใจก็เริ่มสว่างจ้าจ้าจ้าขึ้นมากาหนดดูโอ้ไม่มีหนังมังสังห้อยอยู่มีตลก น้อยตรงแต่งมัเป็นธาตุดินอันนี้ก็ใส่ห้อยอ น, นี่ก็ร่างกายแขนขาหลุดลุ่ยหนังกองกับเพื่อนเป็นน้ําเหลืองไหลลงเพื่อนลงดินลงน้ําไฟลงกลับตูวธรรมชาติอันไหนละเราอะมันก็ไม่มีเราอ๋อที่มันมีเราเราไปยืดตัวสังขานตงแต่งว่าเรามันเห็นพิษเนี่ยมันสติมันเตือนนะโยมสติมันเตือนนะเตือนจิตผู้รู้ก็บอกเนี่ยเราไม่มีหรอกในโลกนี้สมมติทั้งนั้นที่อาศัยอยู่ เราไม่มีถ้ามีก็ดูสิมันยากนะตัวนั้นขา น, ขานึ่งขาตัวไหนมีเราไหมล่ะเออไม่มีเรานะไม่มีเราก็อาศัยก็อยู่ชัว่วคราอย่าคิดทําลายเขาปล่อยเขาเป็นปกติเถอะถึงเราไม่ฆ่าเขาวันนี้เขาก็แตกสลายไปเองถึงเราไม่ทํำลายเขาเขาก็เจ็บก็ป่วยไปเองถึงเราไม่ทำลายเขาเดี๋ยวเขาก็เป็นธรรมชาติกับศูนย์ ดินน้ำลมไฟมันเดิมกลับสูธ่ธรรมชาติกองอันนี้กองอันนี้มันบอกหมดโยมพอบอกใสโอ้อย่างนั้นเราเห็นผิดแล้วน่ยสองปีเน่สียเวลาเวลามาวันนี้เราเชื่อพระเจ้าแล้วพอจิตน้องก็หาพทธเจ้าเพราะว่าเคยจะแบ่งเถียนท่านในใจว่าไม่เชื่อหรอกบ่แล้วมีทุกข์แล้วมีสุ ข, สขทำไมผมทุกข์จังเพราะสัสดา ห, หลอกลวงล้วบ้าง นี่ผมยังอยากจะเป็นพระรหันอยากพ้นทุกข์อย่างหมดเกีลียดวันนี้ไม่เห็นได้เลยครับทาไมพระองค์บอกมีสุขบวชแล้วภาวนาจะมีสุขมีสติตามรู้รู้ลมให้ใจจะมีสุขเนี่ยผมไม่ทุกข์เลยเพาไม่ผมทุกข์จังเถียงท่านในใจนะโยมพอได้สติแล้วเรื่องตรงเนี้ถึงผ่อนคลายไปได้เพราะความเห็นผิดความยิน ด, ดีในสิ่งที่กระทําที่ว่าถูกที่ว่านั่งโดยไปเห็นดูเดือนดูดาวเรานึกว่าจะพ้นทุกข์ที่ไหนแล้วมากกว่าเดิม เสียเวลาสองตีโยมถ้ามาเที่ยวในใจในใกายอาการสามฤิ ส, สองมนุษย์มังผูมั่นว่าเนี่ยโอ้ยมันพ้นดัง้งนานและกิเลสเสียเวลาจิตสงบไปนั่งเพลินดูเดือน ด, ดูดาวไปรอดทั่วจักรวาลหาที่สุดไม่ได้เลยตอนมีสติย้อนมาดูที่ใจเท่ น, นั้นดแตกสลายไปหมดความรวงความเพลินหายจางคายไปหมดแม้รู้นาตัวตนจ น, นเห็นที่สุดว่ามันไม่ใช่เรา ประกอบกันไม่นานมันก็แตกเหมือนเดิมเจาเชือกมารัดเอาก็ได้มาพันไว้มันก็เน่าเบนเหมือนเดิมมลูกนี้มันก็เน่าให้เห็นเสือไม่เห็นละหลายให้เห็นกองกับเพื่อนให้เห็นสุดท้ายไปขี้เท่าไปเผาลงดินจบแค่ตรงนี้และอ๋อตัวเราสุดท้ายกับสุขภาพเดิมไม่มีอะไรเลยการนี้โยมสู้ไปเรื่อยๆนะภาวนาไปอุบายธรรมาจะเกิดให้รู้แต่ว่าอย่าไปยึดเห็นรู้ไปเรื่อยๆ มันจะช้จะนานปัญญาเกิดแน่นอนถ้าเราฝึกเจริญสติคอยยับยั้งจิตไม่ให้ไปเพิ่มความอยากเดี๋ยวมันจะหยุดมันเองสติกลับมาเมื่อไหร่ปัญญาเกิดเมื่อนั้นถ้าสติไม่มีปัญญาไม่เกิดแล้วภาวนาจนตายหลายพวกละชาติก็ไม่พ้นทุกข์แม้ปัจจุบันถ้าเรามีสติกำหนดลมให้ใจเป็นที่ตั้งจิตไม่ส่งออกไม่เกิน ห้านาทีจิตจะเริ่มเป็นสมาธิถ้าคนมีวัฒนาบุญเก่าที่บำเพ็ญเพียรจดจ่อแล้วนะปุ๊บเดียวนะโยมแต่ถ้าคนทําใหม่ก็อาใช้อเอาเวลาเป็นอาทิตย์ถ้าผ่านเจ็ดวันปุ๊บหรือถึงเจ็ดวันได้ผลแน่นอนถ้าว่าของติดเรื่อยๆมันยากตอนที่เราไม่เข้าใจไม่มีใครชี้แนะไม่มีใครชี้ทางมันลำบากตรงนี้แหละ การภาวนาถ้าเรามีครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็คอยต่ายถามท่านแต่อย่าถามบ่อยฟังแล้วก็ปฏิบัติไปก่อนเรื่อยๆ เ, เ, เ, เหมือนกัเนเรียกว่าสอบอารมณ์แล้วล่ะถ้าเข้าใจแล้วภาวนาวเรื่อยๆถ้าไม่เข้าใจพยายามหากูบาอาจารย์ช่วยอยนุเคราะห์เรื่อเร็วขึ้นเพื่อจะเดินทางทางสายกลางเข้สขาสู่ความสงบใจอาจจะมาได้ประเภทเอาเอาชนะชอบฝืนชอบฝืนตนเอง ยังไงลงทุนไปก่อนอย่างเงี้ยอาจจะมาชอบลงทุนก่อนให้มันงโง่เต็มที่รู้ก็รู้ไม่รู้เวลาให้รู้ซะ ก, ก่อนรู้ด้วยความทุกข์นี่แหละพระศาสดาก็ไปหาด้วยตนเองก็เลยอยากลองวิชาที่ว่าจะหาตัวเองมันจะเจอไหมทั้งที่อ่านคำเภี์มาหมดนะพระเจ้าปิกพุทธประวัตอ่านหมดแต่ว่าความเป็นจริงเวลาภาวนาแล้วโยมมันไม่ได้มัน ในตำราถึงมันจะต้องผ่านอารมณ์ทุกข์ที่สุดมันบีบขั้นใจจะขดาดโขกจะแตกจนถาวายชีวิตแลกทำได้นั่นะมันถึงมีสติสติจึงตั้งมันได้อาจจะมาชอบลงทุนหนัะเพือ่ออดเข้ า, าวันน้งก็สามสิบกว่าวันสามสิบสี่วันร่างกายจะแตกเปล่าถอนออกมาเดินองคลมีสิบสี่วันจากนั้นกายรูปนา ม, มันแยกให้เห็น แั่นละสิ่งนั้นก็เลยเริ่มสลายความเดดเดือมันในตัวเสุดท้าก็ปล่อยวางวางมันจะเป็นแล้วก็ดูอย่างเดียวมันจะเป็นอะไรก็ดูอย่างเดียวมันจะเกิดอุบายธรรมอะไรดูอย่างเดียวไม่เถียงแล้วดูตามพระเจ้าบอกเป็นเพียงผู้ดูผู้ดูไปแล้วแล้วก็ปล่อยวางเอาไปเอามารู้จักว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยปัญญาจะค่อยๆเกิดการภาวนานะการฝึกเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะโยมบุญใหญ่เลย อ, อานิสงส์มากเลยนะ พรอเราทำบุญสักร้อยปีเราภาวนาได้วันเดียวเนะี่ยได้สติสมาธิปัญญาเกิดวันเดียวอันนี้สมมติมากกว่าเพราะมันทำให้ละกิเลสได้การสะสมบุญทานอย่างเดียวเนี่ยปัญญามันยังไม่มีจะได้บุญกุศลพลบุญนำเราให้เป็นเทวดาแต่เราได้ภาวนาเห็นนิจจัญญาความไม่เที่ยงอนจังทุกขังตาแม้เพียงครั้งเดียวนิดเดียวนาทีเดียวครึ่งนา ท, หนนาทีหนึ่งวินาทีเราก็ถือว่าได้บุญมาก พรอเราเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นในจิตเพียงแวบเดียวไในจอนๆไหมนะการภาวนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแวบเดียวถ้าจิตมันจ้ารวมตั้งมั่นสว่างมอะไรมันวูบเดียวเท่านั้นนะสิ่งที่เราเห็นสนะติมันไวตามรู้ทันมันจะแจ้งสว่างไปทั้งโลกทนะัก้งจักรวาลไม่ถึงนาทีเราโยมไวมากเห็นทุกส่วนเลยในโลกนี้ ส่วนไหนโลกนี้ส่วนไหนโลกของโลกเป็นอะไรเวลาไหนวันไหนเวลามันเกิดรูส้สติวัยมากจิตตรงเนี้ยตาสติสมัมปชัญญะเราวัยมากไวัต่อความรู้เกิดขึ้นนิดเดียวทตนี่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาการแยบคายแยบคายทุกวันมันจะมียานเกิดขึ้นประกอบกับความเพียนของเราจากนั้นจิตจะเบานะจิตจะเบาไม่หนักหรอก จะเห็นอะไรก็อย่าพูดเนี่ยรู้แล้วก็อย่าอย่าพึ่งพูดเห็นแล้วก็อย่าพิ่งพูดกําหนดดูรู้สภาวะจิตถ้ามันละเอียดต้องไปกว่า น, นั้นดิอย่าคลายไปกว่า น, นั้นดิจึงเฝ้าดูสภาวะอารมณ์ที่ไปดูไปรู้ไปเห็นในนิมิตต่างๆอารมณ์เหล่านั้นมันจะแจ่มใสถ้าเราไปหลงนั่นนั่นโดยคุณวิเศษเราจะมืดอันนี้ยจะมีความกลัวกลัวเป็นนั่นกลัวเป็นนี่กลัวความดีมันหาย ความความสุขที่ได้มันจะไม่เหลืออยู่มันก็มีมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้ระหวังตรงนี้ถ้าเราปล่อยเฉยๆปล่อยเห็นแล้วทั้งหมดวางไว้ธรรมาชาติอะไรจะเกิดก็ดูรู้จะจิตจะสบายอิสระจะไม่หนักมันเบาไม่เหมือนเมื่อก่อนมันหนักตอนที่ยังไม่เข้าใจที่วางไม่ได้มันหนักมากพอเข้าไปถึงสิ่งนี้เป็นรื่องจังทุกนาตามันเบาเบา จะภาวนาหายใจก็ไม่ไม่เฟื่อยแรงเหมือนเดิมนะมีสติประคองจิตหายใจเข้าช้าๆทีนี้หายใจออกช้าๆละเอียดละเอียดละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นปกติสุขสุขทุกเวลาเลยนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้สุขทุกเวลาจิตอุเบกขาหมดแล้วมันไม่มีเวทนาเกิดมาแทรกหรอกอารมณ์ก็ไม่ถูกเห็นอะไรก็ สักแต่ว่าสักแต่ว่าไปเนี่ยมันไปวางไปหมดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกข์ก็รู้สุข ก, ก็ดูแต่ไม่ยึดสักอย่างเนี่ยจิตมันจะอิสระตรงนี้นะแล้วโยมบอกว่าเกิดมาชาเนี่ยโอ้ชีวิตจะมีค่าตรงนี้เองถึงที่เราต้องการความสุขในชีวิตเกิดมาชาในแค่ตรงนี้แหละจิตก็ถึงทางสายกลางและจิตก็าวางเอาเบียดขาเนี่ยปัญญาก็จะไหลมาเรื่อยๆทีเดีย ปัญญาเกิดจากการภาวนาเดี๋ยมันเบาเย็นสบายถ้าเปรียบเหมือนนุ่นอ่ะโดนลมพัดก็ร อ, อให้ต้องฟ้านะ่ะจิตมันว่างจิตมันว่างจิตมันว่างชีวิตที่เราเกิดมาใช้ในเรื่องภาวนาเนี่ยนนถึงที่สุดเราก็เห็นทางออกจากทุกข์ได้แล้วเราจะเดินด้านปัญญาไม่เจ้าปัญญาเราจะละรูปละนามตัวตนทิ้งทั้งแล้วระหว่างนี้มันจะเกิดปัญญาไปเรื่อยๆมันจะเห็นร่างกายว่าเราส่สวนใดส่วนหนึ่ง ในในส่วนร่างกายทั้งหมดอาการทั้งทุกสองแล้วก็พี่นายแยกมันดอกมาดูค่อยแกะตรงนั้นดูตาของจ ม, มูกดูแขนขาด้วยมืบเล็บเท้เเาดูตับม้ามนในปอดร่างกายเยอะในกะโหลกศีรษะไข ม, มันเปรวมันค่อยดูไปเรื่อยๆมันเป็นภาพขึ้นมาให้รู้พี่นายในสิ่งนี้มันก็เป็นอย่างนี้แต่มันเสื่อมนะหัวใจเป็นนี้แต่มันเสื่อมเป็นแบบนี้ปอดตับไตไส้พงุงเป็นสมองหูตานะ มันมีอะไรอยู่ในนู้นมันจะเห็นหมดนะเหมือนเอ็กเซลเลยเนี่ยนะมันจะท่องเที่ยวพยยิจารณาดูสิ่งนี้ก็ไม่อย่างยืนนี่ก็ไม่อย่างยืนอันนี้วิชาเลราอันนี้เป็นของธรรมชาติเดี๋ยวก็เป็นมันจะแสดงธาตุออกมาให้ดูมีภาพประกอบให้เราเห็นเมื่อเรานั่งดูเครื่องเอ็กเซเลยเหมือนเรานั่งดูหนังมันสไล่มาเรื่อยๆก็นั่งดูไปเรื่อยๆถ้าอุบายทำํำมาเกิดเนี่ยดูไปก่อนให้ดูไปก่อนเมื่อดูไปแล้วมันจะเกิดความรู้เกิดปัญญาไม่จบไม่สิน้น เหมือนหมอรู้คนรู้ว่าคนไคข้เป็นโรคอะไรเจ้าพนิชใช้ในการให้ยาถูกแล้วก็เห็นกายสังขาแนวมันเกิดขึ้นเพราะอะไรตัวท้ายถ้าถ้าถึงเวลามันได้ดับไปเป็นธรรมดากลับไปเป็นอะไรแล้วเราจะอยู่กับมันทําไมอย่างเนี้ยจะเอาอะไรอกี่กับภาพเหล่านี้รูปเหล่านี้ที่เราเห็นแล้วรู้เนี่ย มันจะเริ่มปงอ น, นิจจังอ น, นิจจังอ น, นิจจังไปเรื่อยแล้วก็เกิดปัญญาญานวิพัฒนายานจนเห็นตัวสังขาดวิญญาณรูปนามตัวตนไม่ใช่เราละเอียดเห ล, ออาล่าอ้อมแน้วตัวเห็นส่วนร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีแก่นสารที่จะไปหลงไหล ย, ยึดมั่นถือมั่นอยากมีมันอีกทาไมต้องอยากมีรูปอีกถ้าไม่รูปแหละก็ทุกแบบเนี้ยมีโลกมีภัยแบบเนี้ยอยากมีหู ม, มีตาก็จะเป็นแบบเนี้ย ถ้านไหนที่เกิดมากก็เป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีคําตอบให้เราในใจแล้วแล้วกับเพลิอนอยู่ในเจริญสติที่เนี่ยจะไม่เบื่อหน่ายในรูปกายเราเพราะว่ามันสัตว์แต่ว่ามันปรงในจังได้แล้วเดี๋ยววันนั้นก็ไปของมันเราไปของเราจิตจะสะอาดจากอัตตาตัวตนที่ถิ่นวน่ามันจะจางไปจางไปเบาเย็นสบายเหมือนเราล้าง ดสะดุที่มันเปื่อนๆด้วชนิ่มก็ดีฝุ่นละอองก็ดีมันค่อยชำระไปพระเจ้าเปียเสมเหมือนสังที่ขัดแล้วใจถ้ามันปีผู้รู้ผู้ตื่นคือจิตมีปัญญานั่นแหละมันเข้าไปรู้ทุกสรรพสิ่งในในร่างกายต่อไปจะรู้กว้างไปเรื่อยรู้เรื่องโลกมันจะเห็นภูเขาเหล่ากาก็ะังแตกได้ต้นไม้ก็ยังมีลมหายใจจากท้องฟ้าอากาศก็ไม่เที่ยง มันจะลูกกว้างกว้างไปเรื่อยๆจนทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นนิจจ์หมดเลยอันนี้ปัญญามันจะปัญญามันจะเกิดจากการภาวนาแ ย, ยบคลายไปเรื่อยๆจนหาประมามิได้ย่อมไปถึงทะเลอากาศมันจะเห็นภาพทั้งหมดนะอยู่บนสวรรค์นั้นเทวดานางฟ้าเขาก็กลัวที่จะมาเกิดเขาก็ไม่อยากตายเพราะความเกิดเป็นทุกข์ ไม่รู้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมเราก็กลัวตายแล้วไม่ได้ไปสวรรค์มันไม่แตกต่างกันเลยสรรพสัตว์ในโลกทั้งหมดก็กลัวความตายทั้งหมดกลัวความเจ็บความป่วยทั้งหมดมันจะค่อยรู้กว้างๆไม่มีประมาณนะโยมให้จําก็ให้ดนะีรู้กว้างๆไม่มประมาณเราไม่หน้าที่ดูไปเฉยๆรู้เฉยๆมันจะมีอุบายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ความคิดนะผู้รู้มันทําให้เรารู้คือจิตของเรามีปัญญามันไปรู้ รู้โลกสรรพสิ่งนี่หอค่อยรู้รู้กว้างไปทั้งวันทั้งคืนนะโยมแต่อย่าไปเผลอว่าตัวเองเป็นโรคจิตนะถ้าจิตตรงนี้เกิดปัญญาธรรมะมันผุดขึ้นจะเข้าใจเหมือนเราเป็นคนคิดมากไม่ใช่ความคิดนะผู้รู้มันทำให้รู้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยแต่รู้แบบนี้ไม่ทุกนะเพราะเราไม่ได้เป็นคนคิด ถ้ามีความคิดมันเป็นทุกข์แต่ถ้าผู้รู้มันเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดที่จิตแล้วมันรู้ของมันไม่รู้แล้วไม่ทุกข์รู้แล้วสบายจิตรู้แล้วสบายใจรู้แล้วรู้สึกว่าสว่างจ้าสว่างสบายมันสุขไปนในจิตสุขไปนในธรรมเนี่ยอุบายพวกเนี่ยอุบายเดินทางออกจากทุกข์นะโยมมันรู้เหตุรู้ผลไปเลยอย่ยเป็นห่วงเรื่องนี้นะบางคนนั่งเข้าใจไปหาหมอเข้าใจว่าเป็นโรคจิตเวทนะ เพราะมันไม่ใช่ความคิดคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยการมีสติควบคุมจิตได้มันนิ่งสงบพอสงบแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแล้กวก็ปัญญาเกิดจากความสงบจิตถ้าคนภาวนาไม่ใหม่ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้นะหาครูบาอาจารย์สอบปรมไม่นะเพราะเป็นห่วงบางคนที่ภาวนาแล้วฟังธรรมะจะมาเนี่ยไม่เข้าใจ จิตสงบลักษณะเกิดความรู้แบบเนี้ยก็ไปหาหมอบอกว่าเป็นจิตเวทเนี่ยวันเสอร์นี่นอนเองนะผมไปจิตเวทพาที่โคราชก็มาท่านโยมจลงพ่อผมไม่นโรคจิตผมกลัวเป็นบ้าไปเรื่องอะไรเนี่ยมเดินองค์มาอกคมเหมือนหลวงพ่อเทพผมก็ฟังทําตามแต่มันมีความคิดอะไรขึ้นมาอย่างนึงมันไหลออกมาผมเป็นบ้าหรือเปล่าผมกลัวผมเป็นบ้าหรออ่าไม่บ้าหรอกปัญญากําลังเกิดนั่นทำกำลังไหลออกมานั่นดีมากเลย ท่านเนี่ยอมกลับไปโคราชมาอาทิตย์ที่แล้วเนีย่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยนาโยมมันไม่เข้าใจอาจจะมาในบุกตรงเนี้ยอยู่คนเดียวเนาบ้าก็บ้ามันตายแล้วกูจะดูมึงเนตั้งสตินี่นะมึงบ้ากูจะดูมึงถ้าบ้าจริงกนะูจะรู้ว่าบ้าเป็นยังไงก็มีตั้งสติตามพระสราจจะมีสติตามดูตามรู้ก็ปล่อยวางเอาไปมามันไม่ใช่บ้าแต่จิตที่เกิดปัญญาไปรู้อารมณ์แล้วก็แจ้งชัดอารมณ์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปดูมันไหลออกมาเมันก็นั่งดูหนังแล้วนั่งดูเดินเดินดูนั่งดูเดินดูกําหนดดูกําหนดรู้เอาไปมาเปา็นปัญญารู้แจ้งในสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่รับเคยถูกปิดก็เกิดความรู้ขึข้นมาละเอียดละออจนถึงคาว่าสมุท in, i, ัยนั่นแหละความเห็นผิดมันก็ไปเห็นถูกพบมันแก้ไขจิตที่มันเคยเห็นผิดเห็นผิดขานาดที่ไาอยากรูก้นรกสวรรค์อยู่ไหนพอเกิดปัญญาอ๋อความหลง หลงความคิดติดอยู่ในอารมณ์ไปพิจารณาว่ามันต้องอยู่ตรงนู้นตรงนี้เสียเวลาไปสองปีถึงมาเข้าใจว่าจิตมันหลงจิตมันหลงจิตมันเพลินพอหลงเพลินพวกคิดเข้าใจว่านั่นคิดถูกต้องทําถูกต้องมันเลยเสียเวลาไปสองปีมานั่งพิจารณาคําสอมพรสัจจะโอ้จิตเห็นจิตน้ะจิตที่ส่งออกก็รู้ไม่ส่งออกก็รู้แต่เวลานั้นเรขาดสติจิตส่งออก ไปตั้งสองปีพี่เจรณาอยากเป็นสวรรค์นรกอยากเห็นวิพัานมันคิดขึ้นมาเองโดยที่เราเผื่อสติไปคิดโอ้คิดว่าสมาธิคิดว่าจิตกำลังเป็นสมาธิจิตกำลังจะพาไปดูอนรกสวรรค์ไปดูนิพัานอยู่เมืองไหนอยู่ดาวดวงไหนโอ้เข้าใจผิดตั้งสองปีพอไหมตั้งสติได้มาคิดที่นะอ๋อนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่ทำมันเป็นวิชาสมาธิความเหนผิด ก็เลยคิดว่าเข้าใจว่าเป็นสมาธิเข้าไปหลงในในความคิดพอจิตเข้าไปยึดว่าเนี่ยน่าจะเป็นสมาธิหลงผิดก็เลยไปกับอารมณ์ภายนอกได้สติมาคิดว่าอ๋อนี่เวลาหลงมาหลงแบบนี้เวลาเหิดเนิดแบบนี้เวลาขาดสติก็ขาดสติแบบนี้ก็เลยตั้งสติทีนี้ก็ค่อยๆกำหนดลมให้ใจตั้งสติใหม่ หายใจเข้ายาวๆย้าวๆเขาค่อยผ่อนไปเป็นปกติค่อยดูค่อยเดินโยกลมไปเรื่อยๆเดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเดินไม่หยุดไม่ยอ่อนเดินจนเข้าใจไม่เข้าใจไม่หยุดจะยอมตายพอเขาว่ายอมตายเท่า น, นั้นแหละมันก็ดังขึ้นมาอย่างนี้สิอย่างนี้สิอยู่กระลมหายใจเสียน่าวย่างค ว, วามผู้ชาโทไปสียสติตามลูกกระดายกย่างเยื่อไปสิยอย่างนี้สิเนี่ยมันเกิดดังขึ้นมาในจิต จิตที่นี่ไม่ส่งไปหาที่ไหน่ะมันอยู่ปัจจุบันนี่แหละเวลามันเกิดความรู้ขึ้นมามันจะต้องมีเหตุให้ก่อนนะโยมเหตุให้เห็นผิดก่อนจะถือว่าดีไม่ดีมันเป็นสิ่งรู้สิ่งระลึกเตือนตนเมื่อเรามีสติระลึกได้แล้วจะรู้ว่าอันนี้ผิดทางอันนี้ถูกทางพระสัจจราก็เคยผิดทางมาก่อนเราก็อยาเพึ่งตําหนิตัวเองพอตําหนิจะพูดมันจะเป็นโทษอย่างแรงนะเป็นพยาบาทขึ้นมา โลรเต็อย่างแรงนะเพียงเพียวรู้แล้วเราเอาเพลสติกลับมาเลยเพอสติกลับมาลงให้ใจตั้งที่ลงให้ใจเป็นหลักมันจะเผลอเมื่อไหร่ไปซื้อเอากลับมาที่ลงให้ใจเป็นหลักยึดที่ลงให้ใจถ้าสติมันยึดมาลงให้ใจที่เดิมก็ต้องต่อสู้กันนิดหนึ่งเพราะอยากให้สติมันมั่นคงนะอยากเดินดงกลมบ้างนั่งสมาธิบ้างกําหนดนั่งดูดังที่กําหนดรู้รู้อารมณ์บ้าง คำโดลงที่ใจตรานี้แหละอื่บังคับมันอยู่กับลมหายใจแล้วบังคับมันก็อยากให้หยุดมันทุกข์อยู่นะทีเนี้ยจะต้องมีสติรู้ตัวระลึกปลมหายใจธรรมดาเนี่ยอย่าไปบังคับนะโยมเป็นทุกข์เหมืนเดิมนะมันจะมีโทสะเกิดขึ้นโกรธตัวเองจะต้องมีสติกระย้อนมาที่ลมหายใจธรรมดาเนี่แหละออก็ฝึกมันอยูุดนั้นฝึกจะได้อย่างนั้นพอฝึกไปนานๆเข้าจิบกันแนบแน่น สติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นที่หลังเนี่ยบอกอุบายเข้าใจแล้วเาทุกคนอายุมากแต่ทุกคนเชื่อว่าต้องปัตตานนิพันธ์ปัตตานทางพ้นทุกนั่นแหละไม่งั้นไม่ใส่ใจธรรมะหรอกคนไม่ใส่ใจธรรมะไม่มรรคผลไม่ปัตตานนิพันธ์ไม่มานั่งฟังธรรมให้เสียเวลานะตักบาตรเช้าก็ได้บุญสวรรค์ได้แล้วอย่างพวกเราเต้องปัตตานนิพันธ์กันทั้งนั้นแหละบางคนก็ประกวัวไม่ทันพระศีอันบางคนปัตตานชาตินี้ บางท่านก็ปรารถนาพุทธกัปนาคก็คือภัิยานก็เลยสะสมไว้ก่อนเนะี่ยอยู่ที่จิตของเราเระลึกนะเราจะปรารถนาให้รู้ตัวทนว่าถ้าอยากปรารถนาปัจจุบันลองทําง่ายๆแค่นี้นะมันมีโอกาสอยู่สองพันกาปีก็่าจะพน้นะพุทธกรปนี้นะเราจะอยู่ถึงไม่อยู่ถึงก็ขอให้ได้เกิดเกิดแล้วยๆก็เกิดในภพที่ดีตระกูลที่ดีสภาวะจิตที่บริบูรณ์ต้องเป็นคนที่มีตระกูลสูง อานนี้สงการดูแลจิตตัวเองนะโยมเกิดชาติได้ก็เป็นบัณฑิตเป็นตะโกนที่สูงอาจจะที้เกิดเป็นตัวกษัตริย์ก็ได้มหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่สร้างทางบนบารมีดูแลพระสงฆ์อุปถัมภะพระสงฆ์ได้อยู่ใกล้พระศาสนาทุกชาติถึงจะเกิดบ่อยใต้บ่อยความปรารถนาต้องสําเร็จไม่ช้าไม่นานถ้าเราไม่มาถึงจุดนี้แล้วนะคนที่ช้าที่สุดคือชาติก่อนไม่เคยปรารถนาอนิพนานชอบทำบุญให้ฐานก็มาเกิด ไปวัดทำบุญตัก บ, บาตรงานต่างๆไม่ละแต่ว่าเอาทานถึงสวรรค์อันนี้ง่ายนะไปสวรรค์ น, นี่ง่ายมากแล้วเนี่ยจะนั่งสมาธิเนี่ยร่งฟังธรรมนี่ยก็ได้หูทิพตาทิพเกิดขึ้นละในนิชานิยาก็เกิดละสวรรค์ได้แน่นอนเทพผมได้แน่นอนละแต่จะไปนิพพานต้องด้านปัญญาให้ให้แล้วนึกถึงในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนพยายามน้อมจิตเข้าไปหาใจลักให้ได้ ถ้าเราพี่น่าวเรื่อยๆไป ๆ, ไปๆนายโยมมันจะเห็นจริงๆนะเห็นจนน่ากลัวในการเกิดเห็นจนรู้สึกสะเอียนเห็นสันนิลบนที่มันหมกไหม้ตกไปนะร้องหอยหวนยกมือเกาะร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะยโยมเรวจะเห็นหมดมาเห็นทุกข์ที่สุดพราะเขาเหล่านั้นไม่เคยใส่ใจเรื่องทานศีลภาวนาแเราไม่เคยคิดจะทําดีเลยไม่เชื่อว่าดีมีไม่เชื่อว่าความสุขมีไม่เชื่อนรกมีสวรรค์มีเลยประมาท ส่วนคนที่ไม่ประบาทจิตก็เป็นเทวดาเมื่อตายแลว้วก็ขึ้นสวรรค์ชาวสวรรค์จะนิ่งสงบนะโยมนั่งอยู่วิหารขายวิหารมันอยู่ประาสาทแายปราสาทมันโอ้เย็นสบายไม่มีเรื่องทุกข์ใจเลยบนสวรรค์นั่งฟ้าเทพประวัติต่างคนต่างแต่องค์ทรงเครื่องนั่งปราสาทขายปราสาทมันคิดจะไปทางใดก็กาหนดเอา จะไปไหนก็บรรบึกเอาภาษาก็ลอยไปเยี่ยมกันเสร็จฐุรักษณ์ับมาที่เดิมที่ใครที่มันอยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะโยมแต่ว่าเขามียานทิพย์มีสมบัติทิพย์แล้วอย่างเช่นเราทําบุญในเมืองมนุษย์เนี่ยเสร้างสุติสาราวิหารสาราทําทางหลบแดดลมฝนข้างทางให้คนเดินไปมามีตักน้ำแต่แจกน้ำเหมือนเราเทาว้น้นะําเนี่ยเราก็ได้มีสระโบกกรณีทิพย์ เป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยเกิดชาติไหนก็ได้ในตระกูลที่สมบูรณ์ไม่ไม่ขาดน้ำทำกา ร, กรเกษตรก็สมบูรณ์เป็นพอ่อก้สมบัติมัเป็นสมบัติที่เราหาได้ชาตินี้เป็นบุญทิพย์เกิดชาติหน้าพระเจ้าของบริษัทใหญ่โตโหัวล้านทำกา ร, กรเกษตรทำการจะไม่อยู่ที่แห้งแล้งแม้ร่างกายก็สมบูรณ์ไม่มีพระไม่มีโลคข่าวประ ย, าย่าเนี่ยโยนเท่นวันนี้เลยถวายน้ำด้วย อไปเห็นมรรสวรรค์โยมเอ้ยมันอัศจรรย์เหลือเกินเอาแค่คนเคารพทำพ่อแม่เนี่ยอาข้าวพ่อแม่กินกราบไหว้ท่านวันพระบรรโกลดอกไม้ไปนอบ้อ ม, อมขอพรท่านคนโบราณก็ทำกันนะถือเสื้ผ้าให้พ่อแม่ใส่อาหารพ่อแม่กินมาถึงเวลาตายไปเป็นคนที่มีปราสาทที่มานอยู่ในะร่างกายหุ่นดีนะโยม มีที่อยู่อาศัยมีสาโบกกัลลนี้วิหารวิมาณทิพย์ลอยอยู่ใกล้เสาบัวใกล้สระน้ําทิพย์อย่งเนี้ยคนกัจจันท์อยู่พ่อแม่กับพ้นบนสวรรค์กับบูญมีบริวารดูแลประสาเป็นอ่าทิพย์เพชรดีจดาประกอบประดาปดาสวยงามเครื่องนุ่มอาศัยเหมืนเหมือนกับก็ใส่ชุริเกศไหมเออจักษณะว่าแป๊ดเหมือนกันละ่ะแต่มันสวยงามยิ่งกว่าลิเกะเนี่ย ผิวพรรณก็ผ่องใสผิวนวลรูปร่างไม่ใหญ่ไม่โตไม่สูงเกินไปอยู่ประมาณร้อยหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบผิวพรรณก็ขาวนวลไม่มีดําไม่มีค้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยสิวฝ้ามีมีสั่งเล็บไม่ต้องไม่ต้องทามันก็นวลอยู่แล้วพราะศิญจิตบริวรณนไปสุดตั้งแต่ชาติมนุษย์เมื่อหมดอยายุไขไปสวรรค์กัลราบบาลมีผู้ใส่บาตก็เอ่าพิหารทิพย์วิมานทิพย์ข้าวทิพ ป, ประสาททิพย์ เนี่ยบังเกิดขึ้นหิวเมื่อแล้วก็อิ่มเลยแล้วลึกเมื่อแล้วก็อิ่มสบายเลยผู้สร้างโบสถเจ้าวิหารก็จะประสาทใหญ่โตมโหฬารเป็นเทพเป็นพรมรักษาวิหารตนเองบริวารเทวดามากลับไหวมาสนทนาไม่เงาคนสร้างโบสถคนสร้างศาลาเทวดานางฟ้าก็มาเยี่ยมทุกวันอืมเพื่อนเทวดานางฟ้าเด็กกัมาสนทนาการกระทึกเวลาก็ใหญ่ใหญ่เหมือนเราเข้าวัดแหละ อยู่วัน น, นก็จะมีสมาคมเทวดาแต่ละรูปแต่ลนะนามแต่ละท่านนรามีหน้าที่อะไรทําไว้ในมนุษย์บนสวรรค์ก็มีเป็นทิพย์อันสวยกว่าโลกมนุษย์เยอะมันสวยมากคนรักษาศีลยิ่งประสาทสวยนะรักษาศีลสร้างบุตทช่วยหานโดยมีประาทที่งามมากที่เป็นฝงสายร่างกายอวบอ้วนสมบูรณ์ประสาทเป็นสีทองเรืองรองอลลับด้วยทองคําเพชรจินดาประดับประดาอันเนี้ยเฉพาะทานนโยมที่เล่าเนะี่ย เวลาได้สวิทิพยวิมานมันสวยอายุยืนเป็นพันปีหมื่นปีเป็นแสนปีนะโยกผู้รักษาใจได้ดีอันนี้อันนี้สง์ยังไม่พ้นจากกิเลสแต่อนน้สงเยอะนะเพราะจิตใจก็สดแล้วจะได้ได้ความสุขโลกนี้กับโลกหน้าที่พระเจ้าตัดไว้คือโลกนี้ปัจจุบันก็เป็นสุขโลกหน้าคือโลกสวรรค์โลกทิพย์นั่นแหละก็เป็นสุขใดวิมานอีกแม้มาเกิดมนุษย์กษักที่สูงสัก อันเนี้ยการภาวนาเป็นพื้นฐานนำทางสู่ความสุขสุดแต่ความสุขทางโลกมาได้เป็นเลืกอเทวดาแต่ถ้าความสุขภายในจิตเห็นในจัตสยาเกิดในจังทุกขังตาได้มากกว่าเราอาจจะสิ้นอาสาวะกจิเลสไม่ต้องมาเกิดถ้าเราไม่ได้เกิดก็อยู่พรมชั้นสูงล่ะอาจจะเกิดอยูไม่กี่ชาติแล้วก็เข้านิพพานได้เพราะฉะนั้นมากน้อยขอทุกคนตั้งใจทําลมให้ใจเรามีทุกคน สติแล้วก็มีเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ในวิบากกรรมชอบกินชอบเที่ยวลงในรูปรสกลิ่นเสียงเราจะมีวิบากกรรมสัญญาเดิมมีอยู่แต่เราก็รู้ว่าสมควรมากน้อยฝึกเจริญสติยับยั้งจิตเา่าสังคมเราต้องอยู่ในการกินการดื่มการลเล่นต่างๆสังคมต้องออกไปแต่ว่ามีสติจเจริญสติด้วยดื่มแบบมีสติก็คือเพื่อสังคม ทำไปเพื่อไม่ให้เพื่อนเบื่อหน่ายเราแต่เราต้องประคองจิตไว้รู้ตัวไม่ให้เกินไปกลับบ้านถูกกลับบ้านได้ไม่หลงมันก็จะมีสติรู้ตัวอย่างนี้ถือว่ายับยั้งกิเลสยับยั้งวิบากกรรมจับยั้งการเกิดได้อยู่เพราะเราไม่มีเจตนาไปทำสินตัวให้มันขาดการดื่มโซลานี่เมาจริงๆนีจ่จะขาดนะโยมดื่มเป็นยาเนี่ยสินไม่ขาดนะ ถ้าดื่มเมาจนจำใครไม่ได้เนี่ยสีนขาดแต่จะได้รู้ว่ากินพอประมาณก็ยังอยู่ในสังคมได้อยู่บางคนไม่แตะต้องก็กลัวมันขาดแม้ในผ้าัว อ, อย่างอนุอนุโลมหนึ่งโอเคหรืหนึ่งข้อมือเนะ่ยไม่จางเจ็บไข้อาภาษต่างๆถือว่าไม่ขาดสีลหายแล้วก็หยุดเราก็เช่นกันถ้าเราเก้งในสีนแล้วก็ผ่อนคลายได้อยู่ตรงนี้นะไม่จะได้ยุให้ไปกินเหล้านะ ดื่มได้แต่ในสังคมมีสติอย่างเช่นหนึ่งฝาสองฝาแก้วเดียวทั้งงานถึงเวลากลับบ้านดื่มได้มีสติรู้ตัวอยู่พอเลอกสุก้เออมันมนเหมือน น, นนะอ่ะจีบน้ำเปล่าไปอะไรก็ได้หาวิธีแก้ไขเอาเองต่อในปัจจุบันเหตุ น, นั้นอ่ะลองฝึกดูตัวจำมาเองเคอมีประสบการณ์นะโยมก่อนจากบ้านเมื่อก่อนเป็นโยมอ่ะจะไปร้านอาหารจะ ต, ต้องไปฐานเล่าเพื่อ ปรึกษางานธุรกิจนั่งสมาธิก่อนนะกําหนดดูจิตก่อนดูจิตเองจะไปงานเนี้ยเพื่อนจะต้องเลี้ยงเหล้าแน่แน่หายใจกับผู้จะโทรท้องผ้โทโทรไปปับ๊บมันรวมปับ๊บไปเห็นเพื่อนที่จะมาพุ๊บไปนั่งกินร้านนี้ร้านนี้มันต้องสั่งเหล้ามาเราจะต้องกินใช้ฟ้าเดียแล้วก็น้ําแข็งโซดาเต็มแก้วจิบเอากินไม่นานเดี๋ยวสองคนจะเมาได้เอาเขากับบ้าน พอไปถึงลานเป็นจริงนะเขาสั่งสั่งเหล้ามาหนึ่งขวดแล้วก็โซดาน้ำแข็งกับแก้มจิตก็เลยเลืกว่ า, ากินเพียงกับจิตเพียงน้ำอย่าเมาได้เพื่อนจะเมาแหละปรากฏว่าพอพดื่มปุ๊บเพื่อน ก, ก็กลัวไม่เมากินเน่ากินเน่าสุดท้ายเมาขวดที่สองเมาเมาแล้วกินจับได้รับเขากลับบ้านจริงๆงจากนั้นสติตัวเนี้เตือนเราว่าสังคมกินได้จต่มีสติอย่าไปกินแบบคนอดอยาก ดวงเตือนตนว่ากินเพื่อสังคมจักนโยการเริ่มลดเหล้าลดบุหรีลดกินลดเที่ยวเนอะเออละอายใจเ๋ยวเป็นโยมเดยแล้วก็แค่ประคองไปก็พอนะจิตมันอยากบวช ด, ดิ้นออกหาที่บวชมันเห็นความทุกข์ทางโลกดิ่ น, ด, นดิ้นดินออกมาที่นี้ใครชวนกินเหล้าเห็นี่เป็นพระทุกทีนละ จะไปงานเล ram, ang, ang, up, it, so, ี้ยงมีงานแต่งงานอะไรก็ตามเห็นตัวเป็นพระก่อนในบ้านแ่ะไปนั่งที่โต๊ะไอเป็นพระก็เลยมีสติตัวว่าต่อเราจะต้องบวชต้องกินน้อยเนี่ยประสบการณเล่าให้ฟังนะเราทุกคนก็เหมือนกันโยมเชื่อได้ต้องมีบุนวัสนามาก่อนหลายคนหลายท่านเวลาทํางานเหมือนกันงานบางทีเราก็ทําอยู่ถ้าคนมีสติญาณเขานะปัญญาเปิดกระดาษหน้าเดียวเห็นทุกเลยนะโยมเห็นภพชาติเลยนะ เปิดปุ๊บมันเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเนี่ยพบชาเกิด้เปิด๊บเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บดูเล็บใหม่นี่มันเกิดดับเกิดใหม่แล้วเกิดดับเกิดใหม่เนี่ยถ้าภาวนาเกิดปัญญาแม้กระดาษหนังสือเนี่ยได้จออย่างนี้เปิดปุ๊บมันเกิดดับพบชาเกิดแล้วดับแล้วเกิดใหม่อีกแล้วเหมือนเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดปัญญาเนี่ยหนังสือทํางานที่อยู่โต๊ะทํางาน้องกําหนดดูนะย้อนก็บ่าหาตัวเองด้วย เปิดเล่มหนึ่งปุ๊บหน้าหนึ่งปุ๊บมันเกิดดับไปแล้วผ่ า, านภพชาติแล้วชาติใหม่เกิดเท่าหน้าใหม่นี่แหละมันจะเกิดดับเกิดดับตลอดอ่ะเราเปิยเป็นหมดเล่มแล้วก็เกิดกี่พพกี่ชาตินั่นนหะถ้ามีปัญญาไปย้อนก็มหาตัวนี้เห็นไหมการเกิดเป็นทุกข์อันนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปอันนี้เล่มใหม่หน้าใหม่มีประโยชน์เขียนเสร็จแล้วทิ้งไปเอาเล่มใหม่มาจดที่นั่นนะเพราะว่าการเกิดเป็นทุกล้าไป เพราะเราต้องใช้ชีวิตอยกับการเกิดเพราะเกิดมีทุกข์เราจะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นจากการเกิดเนีย่ยเราฝึก ง, ง่ายๆนะวพราเราทํางานกันอาจจะมาเป็นคนที่ค่อยค่อยๆปรึกษาตัวเองน้อมก็หาพระเจ้าอาจจะจันพระเจ้ารู้ได้กัทุกเรื่องเลยเนี่ยเอาไปคิดนะทําไมพระเจ้ารู้ทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องแมงวันใส้ดวงใส้เดือนหมดแรลงต้องฝ้าอากาศ ท้าไม่รู้เยอะจากถามมาเลยท่านตอบได้หมดโอ้ท่านไม่เผื่อสติเลยถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาผ่านตาให้รู้เลยผ่านหูให้รู้ผ่านจมูกให้รู้ผ่านลิ้นผ่านกายสมัมปัญญให้รู้โอ้สติปัญญามันเกิดจากการเรียนรู้จากอายนาทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ใจมันทําให้วงรู้สึกรู้สึกรู้เสื่อก็ดูความรู้สึกในจิตแล้วก็น้อมเข้ามา ก็เลยฝึกก่อเจริญในป่าไปนั่งในป่าได้หลายปีมันจะไม่มีอะไรคิดมันจะรู้ว่าลมมาแล้วก็รําหนดดูลมเอาใบไม้วิวก็ดูดูใบไม้เอาใบตองหลน่นก็ดูใบตองฝนตกอดูฝนตกกระทบพื้นกระปาะน้ําแตกเปาะเปาะเอพอพบช า, บ า, าตามิมันเกิดเราก็จะตายมันเปาะน้ํามันเกิดดับนี่แหละก็ย้อนกข้ามาเตือนตนโอ้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาท พออายุเราจะสั้นมันกระปาะน้ําแตกเปาะเปาะน้ําหยดที่ก็เป็นกระปะ๋อน้ำแตดเปาะก็เตือนตนโอาชีวิตไม่ยั่งยืนต้องรีบเร่งหยุดจุดไม่ได้ตายในปาก็แล้วก็ทําหน้าที่ทีนี้จิตก็เริ่มเป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติดูใบไม้ดูลมพัดดูนู่นดูนี่มินท์อกไปมานั่งภาวนาอยู่เดินนกะนกมาเดินตาม เดินนกตีสองมันก็ไม่นอนนงตีสองอัศจรรย์นกมันก็ขยันมันเราอ่ะมันนั่งดูเราเราหยุดมันก็หยุดดูเราเนี่าอัศจรรย์มากไอ้นกควก็ขาวตัวดำดำขนนกเขาขาวแล้วนกอะไรไม่รู้เดินนกตีสองเอาก็ลองใจแล้วเรายืนมันก็ยืนเราไม่นอนก็ไม่นอนพอเราไปนอนมันก็บินไปหาที่นอนไม่รู้นอนไหนเออแปลก็จได้ข้อคิดเออในน้อยก็มีเพื่อนเป็นนกแล้ว เออมันขยันนี่วะนกเราขี้เกียจก็ไม่ได้ไอายนกมันกระตือนตนที่เนี่ยเอจนพาด้วยกันที่อยู่คนละที่มันก็มีนกอีกตัวไปดูท่านอีกไอ้ด้านขี้เกียจก็นกก็ยืนดูเอาเราบอกเดินตะโกนน่ะนกมาดูท่านบอกเออเนี่ยมันบินมาหาผมเมื่อกี้เดินนะโกนไม่ก็ดูเออมันเดินก็เดินมันก็นั่งมองค้าอยู่กันนะเมานั่งคิดเออจิตเราถ้าเกิดว่าเป็นผู้มีความเพียรมากมันจะต้องตื่นตลอดเวลามันนก นกเห็นเราทำอะไรก็รวดเดินตะมันเป็นไม้ไผ่ยมยาวประมาณสักสี่เมตรอะลาไม้ไผ่อะพาดกันลนะจังหวะท่านจะเดินกลมใต้น้ำมันมาจากไหนรู้ตั้งแทุ่งกว่าๆนะแล้วก็เดินไปเรื่อยพิจนาไปเรื่อยมันก็นมาเกาะไม่ไปไหนเลยยันตีสอแล้วแก้งนุโดยเฉพาเวลาจะนอนพอให้นอนน้ำไปหวง่วงไงนกพอเราเดินโดยไปไม่ไ ป, ไไปพอเราแก้งหลบเข้านั่งในกดอ่ะบินบินที่ไปนน่นเกาะอีกองหนึง่ง องนั้นน่าจะไม่ทําอะไรบ้างไปร้องร้องเรียกท่านเลยออกมาดูนกท่านเลยบอกหลวงพ่อหลวงพ่ อ, กพอนกมาหาผมเอานกเมื่อกี้มาอยู่กับผ ม, ผมตั้งหัวค่าเนลยทําอะไรอยู่ผมก็นั่งเฉยๆหละเห็นมันมาเรียกผมมันประสงค์ใจออกมาก็เลยอลองเดินองกรมแล้วก็ดูมันก็เดินตามมันเดินจนพระองคนั้นเดินอกรมนั้นตีสี่แล้วเนี่ยบางครั้งสิ่งเหล่านี้ระยมไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่นกธรรมดานะ ภูมิเทวดาในป่าก็ช่วยส่งให้เราเหมือนเรามาอยู่ในเนี้ยหลายๆคนบางคนอาจจะเครียดขึ้นมาบางคนมีธรรมะบอกเอออย่างนี้เพื่อนอย่างเงี้ยนั่นแหละเทวดาก็ช่วยบุญมันช่วยเราแต่ในฐานะก็เพื่อนกันแต่ข้างในนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพูดนะภูมิเทวดาก็มีฤทธิ์สิงปากเราเป็นเพื่อนเราเตือนอย่างเงี้แหละลักษณะนี้เยอะนะ ก็เรียกว่าเทวดาเขาแฝงมาอาศัยร่างมนุษย์ทั่วข่าวแล้วพูดพวกให้สติคนนี้นั่นแพรวะคนนั้นมีบุญอยู่คนที่มีลักษณะ น, นี้เยอะนะแต่มาสังเกตมันหน้าของที่มาของวันเป็นคนมานะก็ม า, าจากแสงเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยด้วยนะแล้วก็นั่งภาวนานคนเดียวเห็นลยอยแบบท้องฟ้าเป็นหน้าตัวชเขีย ว, ยวมองแว บ, บอยู่ด้านหน้าแล้วก็ลืมตาเ อ, อ้าเป็นคนเป็นคนมากลาบ แล้วก็มาจากไหนก็บอกมาจากข้างบนข้างบนไม่มีบ้านนมันเขานะกะ็ได้แต่สติมือนลูกปูโดนะบอกลูกศิอย์ในป่ามันจะมีพวกเนื้อหลองใจก็ได้สติกํากหนดดูตอนกราบกราบแวบไหมไอ้คนกราบแจะมันมีเงาซ่อนนะสีก็เขียวเป็นนาคแล้วกําหนดดูดูตาใสมันงูแนะล้วก็เลยมีอะไรไหมนะบอกไม่มีอะไรเรกจะมากราบอยากกราบไม่ค่ออยู่วัด มาจากไหนบอกนู่นเอานู่นมัน ม, มีบ้านคนนี่เขากราบอีกกําหนด ด, ดูเอาชัดแล้วไม่ใช่คนแล้วก็เลยมีอะไรถามไหมลองลองพูดเขาบอกไม่มีอะไรกลมลตาบางสายเหมือนงูนะเหมือนตางูก็ใช่แล้วชัดแล้วหนักก็จะมากราบกลางวันนั่นอยู่คนเดียวไปๆก็จะมีอะไรคุยไหมไม่มีค่ะมากราบไใจอยากกราบเพราะไม่ค่อยอยู่วัดไม่รู้จะไปไหนก็วันนี้เห็นพระคุณเจ้ามานั่งตรงเนี้ยอยู่คนรูปเดียวก็ จะเข้ามากลับหน่อยเพราะพอเราสนทนาเขาก็เงียบเพรอแล้นเขาคุยไม่คุยหรอกจะไม่คุยถ้าพักเราอยาจับผิดเนาะเอาละเราก็บอกลาก ล, กลับไปแล้วครับไปไปนูน่นบ้านอยูน่นู่นกลับมานู่นแ ล, ล้วกําหนดบงนองตอนด้วยก็เชี่ยวไม่มีบ้านคนนะอยู่บนเขานะก็เลยกลําหนดแล้วก็จะแอบดูเพื่อแนใจนะพอลุกปั๊บหันหลังให้กเพราะบางต้นไม้บางเงาก็แอบเอ้าหายแว บ, บไปเลยเจอบ่อยมาก เดี๋ยวไปบ่อยกายเป็นเคยฉินที น, นี้ก็มาศึกษานลวงปู่มั่นหลงปู่พันธ์เขาท่านประสบมาเนี่ยเออมันก็มีจริงนะหลวงบู่ชอบเจอไงก็เลยได้สติอ๋ออยู่ในป่าโรกทิพย์มันเยอะทัวกายทิพย์เราที่ย์มันกายมันเจอะเราคิดว่าเออในป่าดีเนาะเพื่อนเยอะยังคื น, น, นกกได้เพื่อนนกกาบัได้เพื่อนนาดอืมไม่เหงาอนะ่ะะ <c oughs> วันนี้โดยบายเขามานั่งเท้าเพศสุวรรณมาเนะาะพระสิวะมาพระละลายพระพรมมา มานั่งกราบตอนบา่ายเราว่ามากราบทำไมเราเป็นพ้าหนุ่มๆหมรือบาปมีบาปแล้วพวกผมสิจะบาปไปมากราบท่านอา้าวทำไมก็เดียวหัวแตกเจ็ดเสียงไม่ได้เกิดเป็นคนง่ายเพราะงั้นอา้าวมีอย่างนี้ด้วยหรือนะก็เลยนั่งนั่งแผ่เมตตามีอะไรคุยไม่มีอะไรมากราบเพราะคนเจ้ามาเมตตาอยู่ในป่าได้เขาทำไมไม่ไกราบพวกผมไม่ได้บุญหรอกนะเขาก็โวยโอกาสนะจะเป็นโยมก็เหมือนกันนะระวังจิตตัวนี้นะ หนึ่งอย่าไปเพลินอย่าไปหลงอย่าไปยินดีนะปกติเฉยๆรู้แล้วก็ธรรมดาอย่าไปตื่นเต้นถ้าตื่นจิตตื่นเต้นพวกที่ินินสัญญาตัวเนี้ยมันจะฝังอารมณ์เราอาจจะวิปลาสได้เหมือนกันภาวนาระวังจิตนิดหนึ่งจะเจออะไรก็ตามแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมีส ต, สติสติเตือนตนอย่าไปยดึดอย่าไปหลงอย่าไปพลอยใจยินดีปล่อยเฉยๆป่อยใจเฉยพวกงทุกอย่างจะกลายสภาพเดิมหายหมดแล้ว บางทีก็เป็นเสือเสือมิงมาเนะตัวยาวๆสิเบสเบสมีพระมาภาวนาด้วยอย่าขึ้นไปนะท่านเดี๋ยวเสือมันจะเล่นงานนะแต่เราไม่บอกก็เสือทิพย์หรอกท่านถ้ขึ้นไปไม่ฟังเช้ามาลอยเสือใหญ่กระทับหน้ากุฏินี้เลยเอาไปไหนท่านผมไม่อยู่เสือจะกินผมเสืออยจะไหนมันไม่มีนะเสือที่เนี่ยมีไปดูนี่หน้ากุฏิผมขึ้นไปดูมัอยใหญ่นะเดือเป็นเสือเสืออะไรกั เสือเส้าหมิงเป็นเสือทิพย์พวกนี้ ม, นมาหาบ่อยแต่ไม่มาทํำลายแล้วนะแต่พาหัวเรือไปอยู่ใกล้ไม่ได้เนี่ยมันดีจำไว้นะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับจิตตัวเองเข้าใจไหมจะอะไรมาให้เห็นให้รู้ว่าจะต่อหน้าก็ไม่น่ากลัวกลัวจิตเราจะพฉวยไพยาบาบกลัวจิตจะไปจองเวรกลัวจิตจะไปคิดจะฆ่าทํำลายเขาให้กลัวตรงนี้ไว้ก่อนนะผู้หาทางหลุดพ้นนะ ระวังให้ดีระวังให้ได้ถ้าระวังได้ปุ๊บชนะประสาททั้งหมดแล้วจิตท่านจะมีอำนาจมากมาทํางานเนี่ยไม่มีติดขัดทําธุรกิจก็คล่องคล่องมือเงินงานที่เคยขาดไหลมาหมดจำไว้นะตัวนี้ป่าบมารมารกิเลสในจิตคือโทสะนี่แหละไม่เกิดลาภมหาสาลที่จะมาไปไหนแล้วยัยงไปผู้เข้าไข่เนี่ยคนไปเจอผิอวกรงก่อยโดแบบนดูดเลือดเอาไม่เท้านี่ยอ้อ่าแล้วน่ากลัวนะโยม โอ้โหทวดองลาวมันน่ากลัวเอา้ากูก็จะไปตามรอยลูกบุบนะั้นกูก็ไปกูเป็นคนดีมันกูก็ไม่กลัวกูไม่กลัวตายไปนคนดีมันจะฆ่าเฆ่าคิดให้ใจนะไปเจอพวกอสูรแผลไมตาปกติหละเดียวนอกก็แผลไมตาแต่ว่าเราจะกลับจากฝั่งราวเนี่ยกลางคืนนั่งภาวนาพี่นะเอาอสูรมาราล่ํำให้ร้องให้หูพระเจ้าไปเท่านี้จะได้มาง่ายไม่ผมกลัวถ้าไม่ได้กลับมาคิดถึงคิดถึงเอา้า ทำไมก็บอกผีส่วนน่ากลัวทำไมเขคิดถึงเราเราถ้าวกาเจอผียงก่อยผียงก่อยฝั่งเราผมยาวตาโตผมยาวตรงเนี้ยแดงตาใหญ่หญแต่ร่างกายเขาขบนใหญ่ข้างหลังขารีบๆผมยาวยาวลา ก, กาเกือบครึ่งเอวแล้วก็เลยเอ้ามาทําไงเนี่ยผียงก่อยมากราบท่านกลัวท่านไม่กลับมาเยี่ยมคิดถึงเอา้าผียงก่อยร้องไห้ ตัวงงมากเจ้าป่าก็ไปตัวใหญ่หนะโอ้โหอสูรที่มันแกแล้งเราวันสุดท้ายน้องห้าโมงกวา่าเลยโยมก้มเก็บเหินเงยก็มาเบือ่อตึบอสูรตัวเนี้ยใหญ่มากโอ้มีหน้าภาคย์ดิไม่ตายเยอะฤิ์ของเจ้าป่าพี่อสูรเขาแต่ก็ทําลายเราไม่ได้ทีนี้ตัวพี่องค์กรก็มากราบเราให้เรามีอสูรมาสุดท้ายก็มากราบขอโทษนะครับผมลองใจท่านได้เฉยจะมาจริงหรือมาเล่นอนงะโอ้ พวกนี้ไม่ธรรมดามันอ่านใจเราออกนะทําไมหลวงปู่มั่นไปตูนกลับมาถึงได้มีสติมีปัญญาแล้วโอ้ไปสู้กับอารมพ์ตเนี้ยกับมารพวกเนี้ยพราไปตายเยอะพาเราจริงเขาไม่ออกตัวลงนะพอไปสมัมผัสท่านเดี๋ยวพาผมไปขึ้นสะบัวไปนู่นผมไปแล้วครับพระไทยมาตายเยอะกวาแมวพระลาวเขไม่ไปกันรกเอา้าทำไมคนไทยอยับ ก, กันอ๋อไปตามหลวงปูมัน่นบางท่านเขามีความโลภจะไปให้เละไหล มันก็เกิดอาเพศนะบางทีก็เจอเสือกัดตายวนะิญญาณพระสุดงที่ไทยไปตายเยอะนะอยู่ตรงอทําเสือเนี่ก็ตายเยอะทีนี้เราก็ไปแบบกับความเมตตาเป็นบรรยัก็ใช้สูพ่พระเจ้าไปไหนเมตตาไปก่อนอย่าไปสร้างอารมณ์เกลียดชังอย่าสร้างปฏิกะอยู่ในป่าต้องอาศัยจิตเอาจิตเป็นปกติก็ใช้อุบายนี้นะพอเกิดอะไรขึ้นก็นตั้าง ดูติดตัวเองก่อนนะระวังให้ดีนะนักวนาที่จะจะแพ้แพ้แต่อคนกลิ่ณิตตั้งสติให้ทันบางทีไปเจอเหตุที่ดูดังเกลียดอย่าเพิ่งไปเกลียดเขาอุบายพวกนี้ยภูมิเจ้าที่ต่างๆเขาจะแสดงเหตุการณ์ให้เราโกรธเกลียดชังพอใจไม่พอใจพวกนี้ไม่ธรรมดาฤทธิ์เขาเยอะรู้วาระเราด้วยนะถ้ามีสติพวกตั้งแต่อ้อสัพเพสตาในใจรักมีบาปมีกรรมเลยไม่ถ้าไม่มีก็ ขอหีกทางหน่อยถ้ามีก็แล้วแต่จะทำโปงอนิจจานแค่นี้แหละเดี๋ยวเขายอมเองะกจะเรามื่นสู้มึงเดียรบร้อยถ้าเขาไม่แน่เขาไม่เป็นเจ้าป่าหรอกเนาะเขาต้องใหญ่เหมือนกันนะเหมือนนลวงปู่หลุกอ่ะที่ไปเลยอะ่ะพระทุรงไปไม่ได้กินข้าวผีสิงคนทันทีเสร็จแล้วก็บอกไปไล่พวกโหรนี้ไปอย่าใส่ข้าวมันกินอลุกศิษยหลวงปู่ศรีท้ายหลวงปู่ศรีไปไปปรับอาทิตย์หนึ่ง ปูดูได้ยอมแพ้ทุกวันใช้อุบายนี่แหละเมตตาเมตตาให้ธรรมะแต่เมตตาให้ธรรมะถ้าสติเราทันนะ่ะไม่มีศัตรูไปไหนก็มีศัตรูที่มีศัตรูเกิดขึ้นทุกเวลาเพราะสติเราไม่มีระลึกไม่ได้พอเราได้พบโทสะมาก่อนโลกกวนลงมาก่อนโดพระโทสะมาก่อนทําให้เรารสึกว่าอยู่ที่ไหนก็เจอแต่ผีแต่ผีนั่นนหะคือจริงอารมณ์จิตเราสร้างขึ้นมาเอง สร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคืออาํานาจของอุปรกิเลสที่มันฝังหัวใจพวกเราเนี่ยทำให้เราขาดสติว่าเราไปเจอผีเจอมารจริงเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยที่มันเคยคิดไว้ก่อนนานสะสมไว้มันแสดงเหตุที่เราเห็นพออยู่คนเดียวมันจะแสดงฤทธิ์ออกมาถ้าอยู่ในที่น่ากลัวยิ่งแสดงฤทธิ์ปรากฏมันกายอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยใหญ่ๆเหมือนจากไม้มาทุบตีนั้นมันออกจากจิตเราเท่านั้นนะถ้าไม่ฝึก ไม่เรียนรู้เรื่องสภ า, าวะอารมณ์และมีสติเจริญอไม่ทันอารมณ์นะเป็นทุกคนพระก็บ้าแก่พระวิ่งออกจากป่าก็เยอะนะอย่าไปเจอที่เพชรบูรณ์ไอ้ตัวแก้งมากินใบไม้ขืนพระตุ dong คนสุรินนะเรากลัวพระทุ d ง n g เมื่อก่าคนสุริ น, นกลัวมันทําของเขาบอกคนสุรินใส่ของเศษหนังเศกกระดูกเข้าท้องเก่งว่าคือฟังมาตั้งแต่เด็ก แต่ไปเจอพระสุดลงไปเจอเฆ่งกินใบไม้แกบอกว่าเสือจะวิ่งก็ยมานั่งคิดโอ้กูไม่กลัวแล้วพระสุริน ท, ทร์สุุทโธสุพุทโธกูไม่ได้วะพุทโธกูไม่เห็นกลัวเลยนะกินได้ใจไปนอนตรงที่เสือเดินเฉลยนั่งภาวนากลางคืนก็แบเสือมานั่งเฝ้าช่างมาก็ยืนดูสุดท้ายไม่มีอะไรเลยเพียงไม่ส่งจิต ป, ปยาบาทเขาเดี๋ยวก็ไปเขเอง ถ้ามันกลัวใหม่ๆถ้าไม่มีสติเนี่ยระวังเยี่ยวแตกที่เขาว่ากลัวจนขี้หดตดหายอมันกลัวจริงๆนะใหม่ๆนะพอสติมามันก็เออถือว่าตายเป็นตายเนี่ยถ้ามีกรรมก็มันฆ่ามันกัดงับทีเดียวมัตายถ้าไม่ตายเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปฆ่ามันชาติหน้าอธิษฐานในใจพี่เสือใจเย็นๆนะ ใจเย็นๆมีกรรมกันไหมอย่างเงี้ยมีกรรมก็รู้ป่ะถ้าไม่มีไปเสือก็อย่ามาทําให้ตกใจอย่างเงี้ยพี่ช้างไหมพี่ช้างมีกรรมกันไหมถ้าไม่มีก็พี่ช้างก็เอางวงลงเดี๋ยวนิ่งๆหน่อยนะเดี๋ยวยอดจะแตกแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีกรรมให้หนักที่จะตบให้ตายถ้าไม่ตายจะช้าน่าจะฉันไปตบพี่ช้างแล้วมันก็ได้เอางวงลงก็ยืนพวกก็หันข้างก็เดินหนีฮเสือก็ลุกไปเนี่ยอยู่ที่สติตัวเดียวนะ ถ้าไม่ฝึกเจริตสิจนชนานานญะเข้าป่ายากอาจจะมาประเภทรดถอนเสียงว่าจะเป็นยังไงอย่างอยองังลาวที่มีระเบิดมีเสื อ, นะอโยมพาข้ามหน่อยนะไปเดิ น, นกงมกลารไปน้ำโขงเหมือ น, นเหมือนยืนบนหลังไพนาคมันหินสีแดงกับสีเขียวไปยืนมันมั น, ม, นมันห่างจากน้าไปประมาณครึ่งกว่าแต่ถ้าโยมทิ้งมัน่าเรียบร้อยไม่ได้กลับประเทศหรอกจะคิดว่าถ้ามีเสือล่ะ จะวิ่งไปไหนก็ลงน้ำโขงถ้ามีกับระเบิ่อตายเป็นตายไม่ลึกถึงทหารขาขาดนะวิ่งางฝังไม่เยอะนะก็เสียงเป็นทดสอบจิตไม่ได้ไปลองของนะเป็นว่าถ้าเกิดไปเหยียบกับระเบิดจิตระหว่างนั้นจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าไปเจอเสือวิ่งกระโจนใส่กูจะไปไหนก็มองดูมีแต่น้ำโขงกูจะรอดไหมยเงี้ย ก็ตั้งใจสู้ถ้ามาเจอกูก็จะยืนนิ่งๆมันจะกัดก็จะดูให้มันกัดถ้าเจ็บแล้วกังวลจะจะดูว่าจิตจะเป็นยังไงคืองไปอยากรู้อารมณ์เฉยๆไม่ได้ไปลองของเวลามันมันกล้าขึ้นมานะ่ะไม่กลัวสักอย่างเขาจะตายไปอยู่ในสมองเนี่ยเนี่ยพยายามฝึกถ้จิตเป็นกล้าขนาดนี้โยมนั่นนะ่ะอนุภาคของจิตเกิดขึ้นแล้วอันดีสงในการภาวนานเนี่ยก็เกิดขึ้นลาบโยธาเตเสิอมันตามมาเองะ ตามมาเถอะโดยที่เราไม่ต้องร้องขอมันมาเองเมื่อก่อนสงสยัยครูบาอาจารย์ทุกรูปเขาได้ลาบมาจากไหนวัดโนทําทำไมไม่มีราบไม่มีคนเข้าไปกราบทําไมหลวงปู่หลวงตาท่านคนเยอะทําไมมาโอ้พอมานั่งภาวนาโอ้กิเลมันตายมากเท่าไหร่คนก็ศรัทธาเราทํำลายกิเลสอสวัสในจิตเท่าไหร่เมื่อก่อนเงินอย่างเงี้นะแต่ปัจจัยเผาทิ้งหมดแล้ว ไม่รับไม่ได้บวชมาปัจจัยเผาที่บรรพบูรุษหลวงอะ่ะเอายิ่งยิ่งเผาคนก็ยิ่งฝันฝันออกมาก็เผาเผาเผาจนพระในวัดบอกขอร้องอย่เผามาสร้างวัดเพแล้วแต่คุณอย่างเงี้ยก็เลยเออไม่ได้มีประโยชน์แล้วปัจจัยมีครับสร้างสาราก็ได้สาราเล็กเนี่ยซื้อกาแฟก็ได้พระก็ได้ฉันเผาบมดก็เป็นเศษกระดาษสมมุติว่าไงท่านบอกมันสมมุติมันก็มีประโยชน์นะท่านเอาอก็เอาไปโยนลงเตาตุ่มเลย เราอยากได้หยิบไปก็เดินนี้เนี่ยทํำลายตัวนี้ปุ๊บมันจะเกิดล่าบมาทีหลังเพราะฉะนั้นเราอยากมีลาบจุดเสริญให้นายด่าเยอะๆฟังไว้นะไม่ใช่เรื่องเล่นเงจริงนั่นน่ะให้นายด่าเยอะๆตำหนิบ้างๆ้างแต่อย่าไปโกรธนายแล้วนายจะรักเรามากที่สุดโอ้โหคุณน่ารักมากผมทดสอบคุณผ่านแล้วนี่คนอื่นขอนายเมตตานะขอยศนายบอกถุกอีนั้นไม่ได้ กูบอกว่าอะไรก็เชื่อใชเนี่ยพูดตามทับตามมันจะเจริญโบราเขาว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอันนี้แหละสาคัญมากเป็นผู้น้อมน้อมต่อคําสั่งสอนเนี่ยความกตัญญูเ่ยลาบอยู่แค่เน้นนิดเดียวนะถ้าไปด่านายปุ๊บเรียบร้อยเราก็ต้องไปนดทานายเพื่อนฟังใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนกระตกลบหลังอินั่นดานายนะกูจับมันขึ้นนี่น่ามันต้องขึ้นเขียนไหมเนี่ยระวังจิตกิเลสมานตัวนี้ระวังให้ดีต้องมีสติ ต้องน้อมต่อธรรมน้อมต่อการสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้แนะนำให้อุบายแค่นี้ละ่ะที่จะรวยที่มียศถาไปจะเลินลูกเลื้ยงแค่นี้กิเลสอันต่ตมาเี่พ่อแม่วาจารบทนนิดเดียวนะั่นจำจนตายแล้ว ไ, ได้ผลเลยอยหลวงปู่ศรีบอกมานั่งเฝ้ากินเป็นตีกระดูกนะท่านว่านะบ้านเรได้แข้งเลยกินอะไรนะผมตายแล้ว จะค่อยภาวนากันเล่นไงโหได้ยินคํำนี้ท่านบอกไปเขาป้าปางถ้าคุยตัวเองเรื่องยอะออมาเป็นผลมันท่านว่าอ้ผู้ใหญ่ก็รู้น่ะท่านรู้ว่ะรู้เรื่องง่าแนะนำแค่เดียวสุดท้ายก็ได้ผลทุกวันเนี่ยไม่ได้เยอะนะการมาเฝ้าครูบาอาจารย์เหมือนหมาเรียเอนติกกระดูบใช่ไหมเป็นภาพขึ้นมาทีติโอหลวงปู่ฟัาก็เคยสอนคนํา น, น, นี้หลวงปู่ศรีก็เคยเตือนคํานี้ การมานั่งเฝ้าผู้บรจารย์มาขน่าแข้งเล็บมือเล็บตีนแล้วไงสมบัติตัวเองไม่มีไม่สร้างเอาหรือไงนะเหมือนเอ็นติด ก, กระดูกหมาเรืยเอ็นติดเป็นภาคขึ้นมาให้หมาตัวเรียเอ็ตรงข้อข้อกระดูกมันมีเอ็ น, นก็เรียนนั่นแหละแต่ไม่ได้กินรู้รสชาติของเอ็นแต่ไม่ได้กินเอ็นนั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดีของอุ้บรจาร์ก็ดีถ้าเราฟังแล้วไม่ไดูปฏิบัติเหมือนมาเรียเอ็นติด ก, กระดูกมันไม่เกิดผลเวลาหายใจมากเลย คำสอนนั้หลายใจมากเด็กอายจะที่มไม่กล้าถามอยกแล้วไปไปอย่างเดียวเข้าป่าอย่างเดียวพอได้ผลปุ๊บเอออย่างนี้สิท่ว่าอย่าร้อยผมตายก่อนพาวนากรอนก็เลยได้ลหลักคิดนี้มาฝึกลูกศิษย์ทุกวันเนี่ยการทางานก็ไปใช้ได้นะอย่าให้ต่อในบน่นท่านสั่งคำหนึ่งยึดเลยนะเอาควรไปทำนี่ผมเลยโปรเจกต์ทําทำก่อนนะ เ, เรียบร้อยก็มาส่งอย่าคิดเบื่อหน่ยนั่นแหละ สะพานทางเข้าสู่ความสําเร็จพระสงฆ์มือนกันพระเจ้าว่าเห็นไหมตาหัวใจริ้วเล่นกายใจมันเหมือนไฟเห็นไหมเนะี่ยพอเข้าใจพวกอ๋อมันร้อนเพราะกิเลสโลภะโทสะมันเกิดที่ไหนตา้งตาตาเห็นรูปหัวได้ยินเสียงจ ม, มูกได้กลิ่นริ้วเล่นกายสัมปัญญพวกนี้เหมือนไฟนี่แหละก็อาจเซก็อจดินพระเจ้าว่าสอนแค่เนี้ยเอาไปภาวนาคิดอด้ย้อนเข้ามา ชำระจิตใจปรงสิ่งที่เห็นผิดสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์อุบายนิดเดียวนโยมแต่ถ้าเราไม่เคารพ่าแค่นี้จะเกิดผลยังไงต้อในใหม่ๆก็คิดนะไอ้ตาเราก็มีหูก็มีปกติเนี่ยเห็นไหมเห็นภายนอกนนเนี่ยมนจับกดกิเลสได้ยังไงเนี่ยถ้าเราพูดแบบ ป, ปุถุชนนะก็มีกันทุกคนตามอยู่ในกายใจแต่คำสอนพสัจจะไม่ได้ดูตรงนั้นดูข้างในใจ เมื่อเห็นรูปแล้วกระทบอารมณ์เกิดขึ้น่ะเห็นไหมมียินดีร้ายเป็นเหตุใช่ไหมเีจ้าว่าเสียงไมเพราะเจก็เกิดเหตุแลวเพื่อเพื่อเปรียบเทียบเหมือนไฟไฟโลดไฟกดไฟลงมันเกิดขึ้นจากตาหัวใจร่างกายใจสุดท้ายมานั่งนั่งดูมันนะนั่งดูเดินดูนั่งดูกำหนดดูมันก็มีภาพประกอบที่เราเห็นอย่างเนี้ยเห็นรูปนั้นไม่พอใจอารมณ์มันร้อนแบบไหนเป็นทั่วนั่งดูจังนิ่งนายโยมจำไว้นะ นั่งดูนิ่งๆกำหนดดูเดี๋ยวจะมีภาพประกอบเดี๋ยวจะเข้าใจที่องค์สอนเทาปริชนธรรมดาเอาตากูก็ดีอยู่กูเห็นเนี่ยเห็นไหมเด็กก็กระตืกร้ก็ลดแต่ลืมดูต้นต้นหาประทานเกิดในจังภาวะจิตที่เห็นรูปเนี่ยเราไม่ได้กำหนดดูนะอันนี้สิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าเราลืมกำหนดดูข้างในแต่ส่งใจไปข้างนอกเหรอลดชอบน่ากิเลสลนอนั้นต้นหาประทานนปรุงได้ได้ลดสีนั้นคันนี้ เนีองนั่งรถไฟฟ้าใช่ไหมทาไมได้ใจจะขาดไหมเพราะอะไรตายรูปใช่ไหมหัวได้ยินเสียงเขาว่าดีนะใช่ไหม mm hmm. โอ้กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะพระเจ้าสอนข้างในแต่เราบุตรชนจะสอนกันอยู่ข้างนอกเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้พระเจ้าสอนพราะเจ้าเคยผิดมาห้าปีแต่ปีที่หกมาดูจิตเองถึงได้เข้าใจความเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปเป็นทุกข์เพราะอะไร อาดามาก็เคยหายสองปีเที่ยวนอกโลกกันแล้วแต่มันรู้หมดล่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องเราที่ว่าน้ำเดือดท่วมเหรอหิมะถโ่มเห็นหมดหลุมดําก็เห็นก่อนไอสไตล์เห็นหมดฝนพายุท้องฟ้าอากาศเห็นหมดแผทนดจนไหวพ่อแม่ถล่มเห็นล่วงหน้าหมดแล้วว่าจะไหม้กรุงเทพบ้านเอืนไทยก็เห็นอืมเขาจะตายไประเทศรู้บมดแผนดินจะแยกกันโดเนี่ยเห็นหมดแต่ไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไม่เกิดประโยชน์ เห็นแต่โทษคนอื่นแต่ว่าเราเองมันยังไม่หมดโทษก็ต้องย้อนมาดูจิตตัวเองจากนั้นก็ละจิตที่มาท่องที่ยวข้างนอกกมาอยู่ข้างในนึกถึงหลวงปู่มั่นว่าให้ท่องเที่ยวในกายเราเนี่ยถ้าไม่ได้อ่านหลวงปู่มั่นก่อนปวดไม่ได้ศึกษาก็ไม่จะแก้พิธีไหนเนาะให้จิตอยู่กับกายอาการสามทุศสองท่องเที่ยวถึงในกระดูกเยื่อะในกระดูกไปสอนพุทธเจ้าก็สอนดูในอาการสามทุสอง มันก็ตรงกั น, นก็เริ่มกำหนดข้างในเดินเดินอยู่ในป่าแล้วเบื่อตุ้มกลอ ง, องนะเห็นไหนด้านเราเนะี่ยไม่มนะีเนี่ยพระสูตรพระนายพิตารณิดลบอยู่ในร่างกายเราจะไปหาที่ไห น, นแล้วก็ขันท่าเป็นตัวทุกข์ก็อยู่ในรูปเราหมดกายเราหมดมันก็ย่นยอดถอยแล้วมาอยู่ในปัจจุบันคือร่างกายเราธรรมะอยู่ในร่างกายเราไม่ได้อยู่ที่อื่นที่เราสงสัยเพราะเราไม่เข้าใจเนี่ยถ้าพอเข้าใจปุ๊บรับรองยมทุกคนจะขยัน ตรวจเยือนสติโดยไม่ต้องไปใช้ความคิดความคิดมีหน้าที่คิดสดติมีหน้าที่ตามดูตามรู้ยิ่งของเราก็จะเสียงานเนี่ยมันจะเครียดคือมีสังคมแล้วไม่ได้สังคมมันจะเหนื่อยอย่างสังคมทหารก็มีตีกรอบใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยต้องไปที่ไหนก็นล่ะปกติทะเลบ้างใช่ไหมอาจจะไปวัดบ้างไปเยี่มยมญาติพี่น้องแต่จะบ้างเพื่อคลายเครียดแต่จริงๆนะถ้าไอยากเครียกก็อยู่บ้าน ถูกเจริญสติกําหนดรู้อารมณ์ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วภาพที่มันปรุงแต่งอุปทานปรุงแต่งที่เราคิดค่าเณออกณฑ์เราเอาที่เป็นทุกข์มันจะค่อยจางคายจางคายจิตจะโปร่งใสเหมือนอายุวัยสิบสี่ปีเนี่ยอย่างป่าเราเนี่ยถ้าทําได้เมืเอ่อสิบสี่เวลาจิตเป็นสุขจะเป็นหนุ่มไงเป็นหนุ่มคเขาจะกระตือร้อนอยากแต่งตัวอยากนันนี่ไหมจิตเป็นหนุ่มปุ๊บมันก็แข็งแรงและ ถ้าพระวจิตตั้งมั่นทีนี้ก็ขยันความเพียรอยากก้าวหน้าในอยากก้าวหน้าในสิ่งไหนคือด้านปัญญาเดี๋ยวมันจะเห็นข้างในเนี่ยคุมไว้ได้ดีอยู่บ้านทําหน้าที่ปกติเลยบางวันอยู่วัดดั้งภาวนาพีนา่นะเราก็เยอะเท่านี้เลีวก็เป็นด้านประเด็นิดถึงเ่องความตายเดี๋ยวก็เสือเ่อมไปต่อกรว่านุ่มเหมือนตัวเราปอยู่กลางอากาศไปนั่งรอไปนอนเล่นยิ้มเนี่เหมือนอยืดสิบสี่บางที่ ถ้าวัานไหนจิตมันส่องสะอาดมากเหมือนสิบเอ็ดมันเด็กกำลังขยันเรียนไงเนี่ยมความเพียรข้างหนอะมันจะเกิดมันหนุ่มมันจะเห็นสภาวะโอ้จิตเป็นหนุ่มไหวนี่ไหวนี้นกําลังสติสมาธิปัญญาขนาดนี้แล้วก็กล้าที่จะทําทุกเรื่องแหละเนีย่ยจะสอนเด็กก็ได้สองผู้ใหญ่ไว้กลางไว้หนุ่มไว้สาวได้ทุกสังคมแหละมันก็เกิดความรู้ไปเองอย่าเป็นห่วงเพราะว่าเราอาจจะคิดสงสัยเราจะได้ไหมจะสำเร็จไหม อย่าไปซ้าเติมตนเองคนเราอะ่ะมันจะต้องเกิดมาเรียนรู้ศึกษาชีวิตพุทธเจ้าว่ะชีวิตเราคือการศึกษาเพื่อศึกษาเหตุที่มันเกิดตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันก็ได้แต่อย่าไปเพิ่มความอยากที่ไม่อยากให้เป็นไปปล่อยเป็นไปธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละถ้าเราคิดอยากให้เป็นไปเนี่ยเป็นกิเลสปกีเจลตัวเนี้ยเป็นทุกข์ที่สุดอาจมาถึงเกิดพิปัาอยาก ฆ่าตัวตายอยู่ในป่านะแม้จะหาเชือกแฟนคอตายดีกว่าผู้ใดก้าวโกหกเราอยากพ้นทุกข์เนี่ยทุกข์ที่สุดเลยเพราะจิตเป็นปูมแต่งแต่พอวางปุ๊บว่างที่สุดสุขที่สุดสว่าค์ที่สุดลอยวิวขึ้นไปเหมือนเราลอยไปทั้งตัวเลยน่ะั่นไปพอที่บนสวรรค์ไปดูนางฟ้าก็สงบเขาไม่บน่นไอเราบ่นเล้วบ่นเอ า, เ, อ า, เ, อาเป็นทุกข์พอไปเห็น เห็นสวนรรค์เราอยู่เป็นสุขไม่พูดไม่จาเขาอยู่ันสบพายพมไม่หันเขาไม่บวดไม่เพ้ออากาศาก็เย็นเย็นเหมือนเราห้องแอร์ยี่สบสี่ยี่บห้าเปิดไว้ไม่มีใครพูดไม่มีใครบวดไต้เราบวดน้องปนเร า, เร า, เราไอ้ไอน้นางฟ้ า, ทาเทพเจ้าไปดูบายนะไปถึงสุดสุดโอ้โหมสุดท่าว่า น, นอนนึรอเข้านิพพานท่านก็บอกหลานเลยอย่าจะมาติดสุขเหมือนเหมือนเหมือนปูนะทําไมปูไม่ไปนิพพานเน่ะ ปู่ไว้สร้างบทไว้ตอนบทเ ป, ป็นพ่อครูตายคาผ้ า, าเหลืองเรียกว่าได้ไปนิพพานเนี่ยติดสุขว่างันถ้าจะไปนิพพานข้ามสุขไปอีกนูน่นข้ามอีกเก้าเดี๋ยวก็ถึงเขาบอกโอ้มันข้ามเก้าเดี๋ยวอ๋อสุขของบุญที่เราได้เนี่ยถ้าเรายินดีนในสุขแล้วก็เกิดแค่เทศแค่พรมแต่จะไปนิพพานวางตรงนี้อีกมันได้อุบายมาสอนตนถ้าละวางไม่ได้ก็เหมือนที่พระอนาคามีใช่ไหมก็สุขในธรรมนะก็เด็กค้างอยู่ ถ้าวางนี้ก็เข้าที่ผ่านต่อที่ว่าไม่ต้องมาเกิดก็เลยได้อุบายมาเตือนตนเอาหรอ่ะอะไรก็ต้องสละไม่ได้ชีวิตต้องสละทุกอย่างสละอวัยวะสละหมดสมบัติพ่อแม่ยกให้ที่นาที่ไร่เอาไว้ล่อเราสึกนะไม่สนใจแล้วเอาตรงนี้แหละที่สุดสุดท้ายพ่อแม่เสียเสียก็ไม่รับท่านก็เลยบอกว่าถ้าไม่รับช่วยพ่อไม่ได้พ่อต้นรกพ่อไปกินเหล้า ตรงนรกแม่ไปสวรรค์ท้ารับที่สร้างวัดก็จะช่วยพ่อไปอยู่กับแม่บนสวรรค์เอาอย่างงั้นรับให้ห้ามมณีมลสึกว่ารู้ไม่เสกก็รับปับ๊บพ่อเป็นเทพบระปุษย์อเลยนะแม่ดังฟ้านี่ปุ๊บไปแล้วนะลูกพระขอบคุณข่าไปแล้วอืมขึ้นสวรรค์ไปนั่งอยู่บนดาวดึงตอนเนี้ยก็ลเลยเออเนอะเอาะให้ต่อมโยมแล้วก็ไม่เอาจะบวช เ, เป็นพระแรกๆก็ไม่เอาจนท่านเสียทั้งสอง ก็เลยมานั่งคิดโอ้บุญนี่เราบวชพ่อแม่ทําไมไม่ให้พ่อบอกให้ยายเพราะรักยายบวชให้ยายเลยกลวนนะไม่ยายคนเดียวโอ้ไม่อย่างนี้ด้วยหรือแล้วเราบวชให้ไม่ได้ไม่ได้ให้พ่อเพราะให้ยายเพราะรักยายต้องเราต้องสร้างวัดให้พ่อพ่อนี้จะขึ้นสวรรค์โอ้ไม่อย่างนี้มีแบ่งบุญได้นะแต่ดูเจตนาแนละ้วเขาจะถ้าว่าอีทางเมย์ญาต้งหมดได้หมดถ้าว่าเฉพาะยายคนเดียวได้คนเดียวเลยจะไว้นะ มันจะไม่กว้างบุญจะไม่กระจายแต่ถ้ายายที่รับไปจะดีแจกต่อกันแล้วแย่ยายถ้ายายไม่ให้ของกูใช่ไหมก็ได้คนเดียวจำไว้นะเพราะฉะนั้นเอาแบบพระเจ้าพิพิสารอีทางเมจะดังหมตัวจะได้หมดทุกญาติทุกพบและโยมจะไม่ต้องกังวลว่าถึงไหมไม่ต้องถามใครแล้วอันนี้ให้อุบายเพราะว่าเคยเค ย, เคยเห็นเคยเห็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยทาไมพ่อไม่ได้แม่กวนให้ยายแต่พอให้พ่อเนนให้พ่อพ่อไป เป็นจักเพรอ่ะโวดอยากนะกินเหล้าแลาทะเลาะกันในวัดสมัยท่านเป็นหนุ่มอ่นนะกรรมข้าววัวด้วยพอได้บุญตัวนี้ไปเกิดรอยละลิ้วเลยก็อัศจรรย์มากก็เลยนั่งค้อเจิตโอ้การเจาะ จ, จงได้บุญ น, น้อยการใจแทนไม่มีประมาณได้บุญเยอะอันนี้สิ่งที่เรามาอยากให้โยมได้มีสติและเลือกชอบประกอบความเพียรขนเอาเนาะในศาสนาเรามีละมีสิ่งละเอียด แล้วก็สิ่งที่ควรจะกระทําอีกมากมายเพียงเรามีสติอย่างเดียวนะยอมอยากหมดนี่มีสติไม่ประจบาดเจ้านี่แล้วเป็นเจ้านี้จะไปสาบแช่งลูกนี่ให้มึงชิบหายชิบหายแล้วใครจะใช้เราเออต้องต้อ ง, ต, องต้องมีสติแล้วมันชิบหายใครจะใช้เราเอออย่างไปแช่งเจ้านี้พุกเนี่ยถ้าไม่มีเจ้านี้เรายืม ใ, ใครต้องเมตตาให้เจ้านี่รวยๆให้ลูกนี่จเจริญลูกเรือนเขาจะได้มีเงินมาม า, มาให้เรา เหมือนที่ออกรายการเหลือเชื่อเนหะ็นไหมโดนโกไปสี่ล้านห้าแล้วบอกอ่าโฉนดมนนะห้ามไปสาบแช่งเดี๋ยวก็มาคืนก็วันรอกระทงอยู่ลูกนี่โทรมาแท้ไปเอาพลอยสี่ล้านกว่านะไม่งั้นผู้นี้ติดคุกแล้ว่ะก็ได้คืนเนี่ยอันนี้ตัวไปเป็นนะออกรายการเหลือเชื่อเราสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยไม่เหตุถ้าเราไม่ไม่ใช่กรูบาอาจารย์ที่มีไม่ตามไม่เห็นเหตุก็แก้ไม่ได้เนาะ ส่วนใหญ่จะขาดแช่งนะใช่ไหมแต่เหตุที่พระเจ้าสอนให้เมตตานะี่ะเอาความปัญญาอย่าไปจองเวรเดี๋ยวจะระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรอุบายนี่มาสอนลูกศิษย์แปว่าได้ผลอย่างที่โยมม า, ม า, ม, ามาเพื่อเชาวเรื่องนะี้ที่มาใส่ปาด น, นั่นก็รวยร้อยกว่าล้านแล้วมันนะ้งเนี่ยกลับไปแล้วล่ะไม่รู้ชื่ออะไรกนะ็บอกว่าอาจะรวยร้อยล้านรู้ไหมเน่ยมาม า, มาสวดมนต์สวดมนต์อย่าแผ่เมตตาให้เอาไป ทำไอ้ที่ส่งออกต่างประเทศขออนซะเดี๋ยวก็ได้เขาบอกหนูขายไม่ดีมาหลายปีแล้ ว, วทำตามก็ไม่กี่ไม่กี่ครั้งสามครั้งออเดอร์มาเฉยๆเงินระ้อยล้านไหลเขาาา้ามาง่ายๆเองถ้าไม่มีวิวบายสอนโยมตื่นไม่ทันหรอก เพราะนั้นแนะนําให้ตื่นแบบนี้แหละง่ายๆตั้งสติอย่างเดียวนึงอย่าสาบแช่งคนอย่าพยาบามคนยอมรับความจริงเราผิดแล้วก็ยอมรับผิดเขาจะด่าก็เพราะเราผิดแค่นี้แล้วก็เอาพฤติกรรมตัวเองอย่ไปทําอีกแล้วก็อย่าไปทํากรรมอะไรต่อมันจะเตือนสติตัวบุญจะไหลเข้ามานยศที่ไปขึ้นช้าเพราะอะไพราจิตมันจะมีความต้องข้องมันจิตมันจะมาดักขวางทางบุญแต่เมตตาให้เราเป็นสุขนายเป็นสุขและทุกคนเป็นสุขนะเดินนายนอนไม่ได้หรอกเป็นห่วงเรา พราะเราให้ท่านเป็นสุขแล้วไนงะท่านก็จะเห็นหน้าเราทุกวันนะ่ะเหมือนลูกหมืนหลานนะ่ะเนี่ยเหมือนโยมาจักนะ่ะแต่ไม่ตายก็เป็นสุขเป็นสุขเดี๋ยวก็ได้คืนหกเดือนสี่เดือนไม่เคยตอบไม่เคยไม่เคยคิดจะจ่ายวันเรากระทงได้หมายสารมาแล้วพุ่งนี้เก้าโมงเข้าคุกแล้วนะเที่ยงคืนโทรมาเปล่าเม้าคื น, นพี่เท็ดไปเวลาบุมันเต็มนะไม่ต้องเรียกร้อง เจ้าของเจ้าของนี่ไม่ดา่าลุกนี่ก็เดือดร้อนนอนใจมันสั่นหัวใจเป็นหุนใจจะขาดเอามาคืนไม่มาก็ให้คนเจ้าของเนี่ยไปรับคืนคือบริษัทไม่ติดคุกอันนี้นสิ่งที่ทําทุกอย่างอจะมาปรารถนาตอนบวชว่เาเกิดมาชาตินี้จัดให้ทุกคนเป็นสุขจะไม่ใครทุกข์เลยชาตินี้ก็เลยมานั่งคิดต้อกูปปรารถนาไปได้ยังไงพระเจ้าปรารถนาโอ้โหเรื่องใหญ่เนี่ย คือมันศรัทธาอยากบวชไงฟังธรรมแล้วก็ได้อุบายธรรมตั้งแต่ขวบกว่าสองขวบเนี่ยมันก็เลื่นเลื่ขึ้นมาเรื่อยๆฟังธรรมมันมันมีความสุขกับฟังเพลงเวลาไปวัดฟังธรรมนี่ความสุขความสุขนั่งสมาธิเดิอนอกนรมภาวนาก็เป็นสุขทำไมฟังเพลงก็สุขปรเดี๋ยวหนึงพอเดี๋ยวไม่นานก็เงียบเพลงใหม่เกิดขึ้นแต่ธรรมะทำให้มันสุขแ ล, เละเกินเน่ยมันจิตเลื่อนขึ้นมาถ้าเราบวชเมื่อไรจะเกิดมาใช้เนี้จะไม่คนเดือดร้อนเดแต่ก็มันสุข ก็รา ล, ลึกเนี่ยก็เกิดความเมตามตาเมตตาเรื่อยๆก็ศึกษาฝึกฝนฝึกฝนเรื่อยๆการเป็นมิตรเทวดาเป็นมิตรเนี่ยสัตว์ลายงูเดินผ่านตัวเต่าแขนมันก็มอบให้โดดให้เดินผ่านคนได้ตลําก็จะฉกเขาก็ต้องแผ่เมตตาให้บุกลายกันก็เลยเกิดคุณธรรมมาเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราได้พบกันน่ะถ้าไม่เคยทากติถ้าตาไม่เคยสร้างบวรด้วยกันไม่มาอยู่ดอกตรงเนี้ยเข้าใจไหม พราะจะตั้งสติว่าในพี่น้องเราทั้งนั้นแค่นี้จบนะโทสะจบนะโลภกดลงจบนะเพราะเราไม่กล้าเบียดเบียนพี่น้องเราแค่นี้ทุกคทําทำหันมาแค่เนี้ยดูจิตให้พิจารณาแค่เนี้ยทุกคนจะจบหนึ่งไม่มีกรรมต่อกันมีแต่บุญบารมีสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นทั้งทีมงานเราทุกคนเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าธทำอัตบ่ายก็ฝึกฝึกไปอยู่ในป่าไปนอนในโรงไม่หลับนอนป่าช้าให้ผีหลอกบ้าง ดูจิตเราผีไหนดูก็ไปเออตรงไหนที่ก็ตาท้องกองก็ไปนอนเฝ้ามันเอาไปมามันก็เฝ้าเราอย่างเนี้ยนอนทับมันมันก็บอกใจจะขาดอย่างเงี้ยพวกเจ้าขยับไปหน่อยเท่าไปเลยะฉันดูข้างหน้ากป็นหมดโอ้ผู้หญิงตาท้องกองดูตาท้องกงองขาดกานนั้นขึ้นได้ต่อสบายเป็นมิตรเขาเออทีนี้ก็ไปนอนตรงทางเสือผ่านช้างผ่านถ้าที่ว่ามีอสูนมียักษ์ก็ไปนอนหมดไปดูใจไม่ดูผีหรอก มันจะกล้ามันจะกลัวเนี่ยกลัวได้อะไรเนี่ยบางทําก็มียกกักษ์มาบีบหัวเนี่ยโต้ปวดฟังอุบายเยอะนะวันนี้ให้เยอะๆหน่อยเพราะหลายปีไม่ได้มา <c oughs> <c oughs> ยักษ์บีบหัวเนี่ยโยมพอจิตจะริญวนสมาธิบีบนะตูนมันอยู่ยอดเขาเนะี่แล้วอยู่ข้างล่างถ้ำพอจิตจะรวมสมาธิจนะบีบ ที่แล้วก็ต้องจับผิดทําไม่รู้ไม่ชี้ปู่พ่หรือกาปพับอ้อยก็เลยกระโดฐานทําไมต้องไปบีบผัวเราไม่กลัวปากกรรมเราคือยักษ์ยักษ์อสูรพ่อี่นีิมานานแล้วใครจะมาทําลายกิเลสตัวนี้ฉันไม่ฉันไม่สนใจไม่อยากไม่อยากให้ปวดกิเลสอยากให้อยู่ร่วมกันกับโลกอยู่เสพทุกข์เสพสุขด้วยกันเอา้าทำไมยักษ์คิดอย่างนั้นเหงาเหมือนกันบายักษ์จะพระเป็นเพื่อนเนี่ย ยักษ์เหงาพรยากอ์กระสูตัวนี้ไม่ค่อยอาบน้ำเหม็นสกรปรกผมฟูกลางคืนก็เดินวัดตรวจตาเถ่านั่นใครมาแย่งที่อยู่อาศัยก็จะไล่เราก็ตั้งสติอย่าทำเลยบันบาปอยู่ที่ไหนชั้นบนบนท้ำย น, ยนยอดเขาเ ร, ราบำเพนาเพื่อหาทางพ้นทุกยักษ์ไม่เป็นทุกหรือรเราเฝ้าถ่ำถา ก, ก็ทุกก็ไม่มีเพื่อนเหงาอยากพระเจ้าอยู่ด้วยไม่อยากให้หมดกิเลส ถ้าหมกิเลสเดี๋ยวก็โลดนี่ก็ว่างไปหนึ่งคนนะเขาว่านะแต่ก็ไม่มีเพื่อนอีกแล้วแล้วกออ็ยักษ์ก็คิดดีนะมันนัดด้วยเออกิเลสมันอยากให้เราอยู่ใช่ไหมอยากให้เราเกิดอนะเหมือนยักษ์ที่อยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนก็กิเลสเรานี่แหล ะ, สะแสดงเป็นตัวยักษ์ออกมาโออาลมณ์นึงก็อยากอยู่ไว้เสียได้ชีวิตแม่จังไมอยากตายจะอยู่านานๆอาจจะจะไปนิพพานบ้างอยากจะอยู่อย่างนี้บ้างมันอาจจะมีความคิดสัญญา ทีนี้เขาถอนสมาธิออกมาเทเสกเขาปล่อยมือกําหนดโอ้ยอดเขาชาวปีนเข้าไปยโยอ้มันมีซอกข้างในอ่ะมันเดินผ่านหน้าผาจะตกกัหล่นเลยนะน่ะหินสลับซับซ้อนเข้าไปสมุดเข้าไปปุ๊บมันมีหินก้อนโล่งทําได้ยินเสียงกลนนะเหมือนเรากล่นนี่แหละกําหนดดูอ้าวยักษ์นอนกลางวันเนะี่ยแล้วก็บอกยักษ์ยักษ์ที่เกียดเราป่ะรู้จักดับจํานอนเวลาตื่นก็น่าจะตื่นมาคุยกันหน่อยเถอะ นอนไม่รู้เรื่องเลยกางวันมันนอนยั ก, ก น, นอนแล้วกนเสียงดังเลยน้ำท่ า, าไป อ, าาาอ่านไม่จังเหรอนี่ก็มีรัวเล็กรอดเข้าไปเอา้ายอดเขามีที่เดินของกลไปเดินของกแพ่เมตตาแล้วออกมายักวันกลางวันกัางคืนออาหากิน อ, ออกไปเดินเล่นก็เลยได้ว่าโอ้ยักขโมยชียักขี้เขียดยักโศกโปกโศกโคกก็มานั่งนึกกี่เหลแล้วถ้ามันถือบัณฑิตบัณฑิตในรูปกายตัวตนในรูปภายนอก เราก็ก็จะเหมือนยักษ์สัวกระปงคือจิตมีกิเลสหนาใน ย, ยักษ์ตัวนี้ก็กิเลสหนามันจะฆ่าเราไม่อยากให้เราพ้นกิเลสกลัวเราหมดอาสะวะกลัวไม่มีเพื่อนอยู่ในโลกมนุษย์กลัวจะว่างเว้นมันก็ทํำร้ายเราคือกิเลสในใจเราถ้าใจเราหลงในโลกก็กลิ่นเสียงเราก็น่าจะเป็นเหมือนยักษ์ยักษ์ขี้เขียด น, นั้นเราจะต้องตื่นมาดูยักษ์ดูอารมณ์ทุกเช้านั่นแหละดุนจนจะนอนก็ดูกิเลสก่อน ตือนแล้วก็ดูกิเลสก่อนจะลงในรูปกลิ่นเสียงกรรมกุณฑะน ะ, ะกรรมคุณฑะคือถ้าติดแล้วพระเจ้ า, าจะมาเกิดบ่อยลงในเรื่องรูปรูปกลิ่นเสียงจะเกิดบ่อยพอเพราะมันมีสัญญาทำให้เกิดมันยักมันขี้เกียจเป็นจิตของเราถ้าขี้เกียจก็เกิดแน่นอนอย่าเจ้ามีสติจะย้อนเข้าไปนี่จาไว้นะที่โยมมาขอปัญญาอย่าส่งออกย้อนเข้ามาเตือนตนมากิเลสเหมือนจักเหมืนมนมนอนมารมดสูนคือความขี้เกียจของเรานี่แหละ สติ ต, ตรงนี้ถ้ามันเกิดแล้วโยมพลังอันเนี้ยมันจะไม่หวั่นไหวและจะไม่หลงกลกิเลสภายนอกนะเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาเตือนตนตลอดเวลาอันนี้แหละสู้มาแบบนี้แล้วก็ได้ได้สิ่งที่ปรารถนาคืออยากเป็นแบบหลวงปู่มั่นก็เลยมีความกล้าเพราะหลวงปู่มั่นท่านจิตโลดโผลนไปเจอที่ว่างปู่สาวผมแก้ให้ท่านไม่ได้รท่านต้องแก้ตัวเองเพราะจิตโลดโผลนเดี๋ยวไปนรกเดี๋ยวไปสวรรค์ ก็ยังมานั่งคิดเออจิตลองก็เป็นแบบนั้นจริงๆสุดท้ายก็เตือนตอนเอามีสติรู้รูู้ ร, รแล้วก็วางวางเดี๋ยวหลวงปู่บ้านก็มียานพิเศษนู่นน้ำบนยอดเขาก็รู้ให้พระปฏิตามปีก็ได้น้ำฉันเอาไปมาไปลาวนู่นลอยพระบาท น, า L. นู่นยอดเขาสูงสิบสี่กิโลนนี่เหมือนพระคุณเจ้าขึ้นมาบนอยอดเขาไม่มีน้ำทั้งแปลที่รอยพระบาทนะั้นรอยอยู่ เขาเป็นสูงขึ้นไปครึ่งหนึ่งวันเนะี่ยก็นอนวันที่สองขึ้นไปเห็ยอดเขาไม่มีน้าจริงๆก็นั่งสมาธินิมนต์เจ้าให้ลูกศิษย์มาเอาน้ำสี่ร้อยเมตรแต่พระเจ้าไม่ต้องมานะเดี๋ยวจะหาว่ารู้กันนะว่าเตรียมกันไว้นะเนี่ยลูกศิษย์ไปมีจริงปีที่สองไปใหม่ปีนี้นิมนต์มาดูเองก็เดี๋ยวไปมองเจอกันก็ไม่มีน้ําก็เดินท่าไปเจอจริงๆเว่รอเขธจะ ป, ปัด จนเพื่อนเราพ่อจะเคยมาเราอย่างรู้ได้ไงเออไม่ต้องถามไม่อดตาก็ใช้ได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้หายสงสัยแล้วปู่มั่นจนทุกวันนี้เรื่องสงสัยว่าท่านปฏิบัติอย่างไรทําไมถึงรู้อันนั้นอยู่นี่อันนี้อยู่นั่นรู้ได้อย่างไรอ๋อเนี่ยเรียกสติตามดูรู้จิตรู้เท่าทียนจิตแล้วก็โคมจิตอยู่ปัจจุบันเท่า น, นั้นเนในร่า ง, งกายเนี่ยอย่าเที่ยวไปไหนดูในทุนส่วนร่างกายดูไปเหมือนล้วเอ็กซเรย์สองกล้อง เดี๋ยวเที่ยวมันเราขีมา่มอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านนั่นแหะในร่างกายแล้วจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วทีมันจะแยกฮะลูกแยกเป็นชิ้นๆชิ้นๆใ้ดูไมีกี่เส้นๆๆๆๆๆๆกีดเอ็นขีดลอยไหวกระโดดกี่ทอดเห็นหมดล่ะทีนี้พอเห็นปุ๊บมันก็สลายความถือมั่นในตัวเราถ้าสลายได้ปุ๊บยาตัวนี้มันเกิดเนี่ยรู้แจ้งไปเนี่ยมันจะรู้แจ้งแจ้งไปเรื่อยๆตอนแรกไม่ไม่รู้อะไรนะเพราะพอเห็นแจ้งปุ๊ บ, บละอัตราตัวตนนั้นเนี่ยไม่ใช่เราเทนั้นนหะมันมียาเกิด ตัวนี้ถึงไปรู้ว่าน้ําที่ไหนมีสิ่งที่ดูมั่นสัตดไว้มีผลเราจะเลืิอนตามก็พอดูอาการ ท, าทั้งทสองที่เห็นแล้วไม่ใช่เราไม่มีเราสักชิ้นนะ่มนะมาเจนละเอียดมากกระดูทุกข้อ เ, เอ็นทุกเส้นเอ็นเส้นเล็กฝอยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่รู้ว่าโรคใครเป็นโรคอะไรเนี่ยเนี่ยจำไหมนะที่ใครเป็นอะไรทุกวันเนี่ยเนี่ยมันรู้อย่างนี้แหละมันรู้เองก่อนรู้หมดเส้นเลือดขอยเลือดอจนรู้เองกระดูกสันหลังงอนเนะอ็นเสลก็ตรงเป้เลย เอาแล้ววะกูไม่รงใส่ยเรื่องประมาณนี้ยมันก็มียานแต่เนเกิดเดินมาท้าอยากรู้ก็กำหนดดูถ้าไม่อยากรู้ก็เฉยๆอยากรู้จิตกําหนดดูจิตอยากรู้ว่าละก็คิดอะไรก็รู้มันสัรพัภาพที่จะรู้อะแต่เรารู้ว่ารู้ใจเองรู้แล้วอยากอยากไปถือบ้านโยมบ้านญาติจะรู้มาแก้ตัวเหมือนเดิมทอดเท้ได้พวก็ว่างๆไงใครมาก็โฆษณาแนะนําไปตามปัญญาที่ก็ทําได้เหตุนี้จะปายจะไว้นะเราอายุมากแล้วหวึกเอา ทำเอาเพราะใส่ใจแล้วก็อย่างเนี้ยน่ารักดีนี่ถ้าเป็นพระบรรลุธรรมแล้วเนะี่ะส่งเสริมแนละ้วส่งเสริมไหมเออเพราะว่าจิตท่านสะอาดท่าน ส, าา น, สนใจธรรมะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะตั้งใจฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ม, มาก็ขอให้ทุกคนมีส่วนนะให้ทุกท่านมีส่ว น, นะ ใ, ห น, วนให้เวลาเยอะอยู่วันนี้ก็ถือว่าให้เต็มที่ที่ขาดหายไปสองสาปี <c oughs> <c oughs> ถ้าให้สิบปีสิบชั่วโมง อ่าถ้าได้คุยเรื่องนี้มันสนุกในจเจริญในจิตใจจะมาด้วยพอคุยแล้วมันมีความรู้สึกว่าให้ให้ประโยชน์ต่อญาติโยมให้ประโยชน์กับทุกคนสิ่งที่ทุกคนไม่มีคือสิ่งนี้สิ่งที่มีกันอยู่ก็คือยศถานามีกันหมดแล้วสิ่งนี้ที่ยังไม่มีอยากให้มีสิ่งที่พร ะ, ระเจ้าเสนอเสิร์ตที่สุดให้ธรรมะเป็นฐานเมื่อโยอมไปปฏิบัติโยมสามารถไปบอกต่อคนอื่นเนี่ยโยงก็ได้ประหาสติปัฏฐานเนี่ยสติปัญญามันเลิ่ทุกชาติจะในสงตัวเนี้ย เราจะเข้าไปสู่พรนิพพานได้เร็วเดินเข้าสู่สิ่งที่พระเจ้าจัดไว้คือพระนิพพานตรงนี้มันเดินเข้าไปคนละก้าวสองก้าวสามก้าวแล้วจิตจะเริ่มสบายสบายสบายแล้จิตไม่มีปรานาจากนั้นไปรู้สึกจะยิ้มได้ทั้งวันะรู้ว่าหนักอยู่ก็หนักเป็นปกติรู้ว่าเบาอยู่ก็เบาเ ป, ปกติสิ่งที่รู้ตัวเองก็เป็นปกติถ้าสิ่งเราเราเห็นว่าเป็นทุกข์มันเป็นอัตาตาแล้วก็แก้เรื่องกันเมตตาไปจำไว้นะวิธีแก้กดคนก็นอ๋อ ขวดจะ ด, ดีตรงไหนอ่ะขวแล้วมันทกอ่าอนนโหติกรรมไปอเฝึกเป็นอภิญฐานเนี่ยอโหสิกรรมปเป็นอภิญฐานเกิดชาติไหนจะไม่ตายโหงจะไม่มีอุัตเหตุจะไปน่ะฝึกโหติกรรมเนี่ยเป็นอภิญฐานที่ดีที่สุ ด, ดเกิดชาติใดก็ไม่ถูกทําร้ายไม่ปองร้ายไม่ตายโหงไม่มีอุบัติภัยที่ต้องถึงชีวิตจะไว้นะบุญตรงเนี้ยฝึกควนไดเจ็ดแล้วน่ะฝึกไปฝึกมากายเป็ที่วรักนของมนุษย์เทวดาได้ด้วย เนี่ยสิ่งที่เรียนรู้มาเพราะว่าเป็นไปอยู่กับเสือเสือก็ไม่กัดอช้างควางทายอยู่บ้านนั้นมาเนี้ยมันก็ไม่ท лай, ําร้ายเออเดินผ่านงูเห่าตัวยาแขนมันก็ไม่ทําร้ายเราเดินตะคมอยู่ก็มานอนเฝ้าน่ารักงูงูเห่าน่ารักอืแต่เห็นเป็นน้านะหน้าข้าพเจ้าฟังเราก็เลยกลายเป็นมิตรกันโอ้ตัวยาวมากก็เลยนึกถึงปู่ผางะ บุปผังท่านก็เคยมีงูงมากินท่านอืนก็นึกถึงเออมันไม่มีกรรมมาต่อกันเนาะถ้าเดินตกล ม, ะมอะลรมันมาตัวได้ต้องแขนยาวสองวากว่ายาวมากกูจงกลางในป่าพอเราหยุดเดินม ก, ก็ไปหากิดพอเราเดินตกลมก็นอนเฝ้าทดสอบนั้นเรแกล้งไม่ลงไปค่อยงมันจะไปมันไปอถ้าเราเดินว่านอนเฝ้านั่นแหละตาแปว๊วเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กดูพ่อแม่ฝึกไปฝึกมากลายเป็นเมตตาอภัญญาเรือ ผมวิหารเกิดปุ๊บไม่มีศัตรูเลยนะขอวันนี้ก็ขอทุกคนศัตรูหวัวใจเนาะให้หมดไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็ดีอสิ่งใดก็ขอให้อได้สิ่งนั้นๆที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่นํามาเล่ามาปรารถใช้เวลาเยอะกว่าท้องควรแต่ให้เวลาเป็นประโยชน์ไม่มีโทษแม้แต่นิดเดียวสิ่งใดที่มีโทษมีภยัยมีายมาบาปกรรมต่อกันปีนี้เป็นปีใหม่ปี2569 เป็นปีที่ดีแล้ววันนี้เราจะทำบุญดูทิศสงกนสงนน้อมถวายว่าราชินีสิริยคิดหรือว่ารเสด็จย่าพันปีของพวกเราก็ถือว่าได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันขออนุทนาทานอนุนาบุญให้กับท่านเจ้ภาพทุกท่านที่ได้ตักบาตรเมื่อเช้าถวายปจัจจัยสีเพื่อนําไปสร้างเซนาสนะแล้วก็แจ้งข่า ว, ด, ว ด, าดีหนึ่งหลวงพ่อติ๊กวัดห้วยราชหลวงพ่อนิมนต์มาแสดงธรรมที่วัดวันที่สิบห้ามีนานะ ่ถ้าอยากไปฟังธรรมท่านเพราะท่านเคยมานี่นานแล้วไปวันที่สิบห้ามีนาตรงกับวันอาทิตย์ให้ทันเทศเวลาเที่ยงตรงนะใครอยากก็ไปกราบสักการะพระองคสด็จท่าจากศรีลังกาที่เสีจพศห้าไปสร้างวัดที่ศรีลังกาวันที่หนึ่งพฤษภาทางพระศรีลังกาจะนํามาตั้งที่วัดให้คนสักการะเก้าวันเก้าคืนหลวงพ่อไปกราบทุกปีท่านก็เลยเอามาปึ่งไทยซะเลยท่านว่า จัดสัก้าวันช่วงวันวิสาขาพอดีก็จะจัดใ้สัการะเก้าวันเก้าคืนวันที่หนึ่งพุธสพระเป็นต้นไปใครอยากไายกชัดวันที่สามมีนาเป็นวันมาฆาเป็นวันประกาศพุทธศาสนาก็ตรงกับวันจันทร์เนี่ยใครไม่พร้อมวันจันทร์ก็ไปปิดทองก่อนก็ได้จะทำนโยมปิดทองที่ฐานก่อนวันที่สามสิบโมงเช้ายกฉัดขึ้นถือว่าวัน ประกาศพุทธศาสนาเพื่อเป็นมงคลด้วยต่อทุกคนวันนี้ขอทุกท่านจงมีความพระสีความเจริญในจิตในใจให้จิตใจเบิกบามีธรรมะคุ้มครองจิตทุกท่านทุกค น, นเนทิดเจริญพรสาธุ